ตจากนี้ไปเป็นการรมทวัชเช้าเพราะท่านได้บรรยายพระสูตรชื่ออธิปไตยสูตรหรืออธิปไตยเป็นใหญ่อย่างไรเมื่อวันที่สมสิงหาคม2535มที่พุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านติตาเราฟังได้นะบัดนี้ เอาวันนี้เทศเรื่องเรื่องอธิปไตยดูบ้างาอธิปไตยของพระพุทธเจ้านะาว่าด้วยอธิปไตยสามนี่นะอธิปไตยสูตรอันนี้ในพระธปิกดกเล่มยี่สิบนะข้อส7 9ยเจ็เกท่านว่ายัางไงคือตามธรรมดาพวก คนที่เอาอธิปไตยสาของพระพุทธเจ้ามามาพูดเนี่ยจะตีความเอาง่ายๆซึ่งก็ไม่ผิดหรอกนะตีความเอาตามความเข้าใจแต่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านหมายนี่นะอธิปไตยเนี่ยหมายถึงการมองทุกอย่างแล้วก็เอามาใช้ให้เป็นอํานาจอธิปไตยในแปลว่าอํานาจใช้ให้เป็นอํานาจในการที่จะทําให้ตนเองเจริญของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเอาวองฟังดู ดูกราฟิกสุทั้งหลายอธิปไตยสามอย่างนี้สอย่างเป็นชไหนะคืออัตตาทิปไตยหนึ่งโลกาทิปไตยหนึ่งธรรมมาธิปไตยหนึ่งดูกราฟิกสุทั้งหลายก็อัตตาทิปไตยเป็นชไหนะดูกราฟิกสุทั้งหลาย พิกูุนในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนในคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดียอมสำเนียกดังนี้ว่าก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบินทบาทไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะอันนี้คงตกไปอันหนึ่งนะ เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้นก็แต่เราก็แต่ว่าเราเป็นผู้อัญชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกครอบงำแล้วมีทุกท่วมทับแล้ว ชะไนการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏก็การที่เราจะพึงแสวงหากรรมที่ละได้แล้วออกบวชนี้เป็นบรรพชิตนั้นเป็นความเลวซามอย่างยิ่งข้อนั้นไม่เป็นการควรแก่เราเลยเธอย่อมสมเนียกว่าก็ความเพียรที่ปรารบแล้วจกักไม่ย่นย่อน สติที่เข้าไปตั้งมันแล้วจะไม่หลงลืมกายที่สงบระงับแล้วจกไม่ระสำาระสายจิตที่เป็นสมาธิแล้วจะมีอารมณ์แน่วแน่ดังนี้เธอทำตนเองแลให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศลเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษจเจริญกรรมที่ไม่มีโทษ บริหารตนให้บริสุทธิ์ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอัตตาธิปไตยนะฟังดูตามสำนวนของในพระไตรปิฎกแล้วถ้าใครฟังจับความเป็นก็คงจะฟังเข้าใจได้นะสรุปง่ายๆท่านหมายความอัตตาธิปไตยท่านก็หมายความว่าเป็นผู้ที่ ดูแลตนเป็นนฝึกตนเองมอีความสำรวมสงวนมีความเพียรและก็ปฏิบัติตนเองทำตนเองให้ใหเป็นใหญ่เธอทำตนเองแลให้เป็นใหญ่อธิปไตยในแปลว่าเป็นใหญ่หรือแปลว่ามีอำนาจนี่นนะทำให้ตนเองเป็นใหญ่หรือทำให้ตนเองเป็นอำนาจเธอทาตนเองแลให้เป็นใหญ่นี่ก็คือ ตัวอัตตากัตนเองให้เป็นใหญ่ก็คืออธิปไตยทําทตนเองให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศลเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษเจริญกรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์นี่เรียกว่าอัตตาธิปไตยสรุปแลกก็คือทําตัวเองฝึกตนเองดูแลตนเองพากเพียรให้แก่ตนเองทําตนเองให้เกิดความเจริญให้มีฤทธิ์มีอํานาจให้มีเดชอยู่ในตัว ให้เป็นใหญ่ในตัวเองตัวเองนั่นแหละเป็นใหญ่ตัวเองนั่นแหละสามารถที่จ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามจะเป็นอะไรจะเป็นอยู่เป็นทุกข์หรือเป็นอยู่เป็นสุขก็เพราะตัวเองนะสรุปง่ายๆนะในเนื้อหาต่างๆนานา น, านานานี่ก็ในรายละเอียดล้วก็จะมีท่านจะตรัสพวกนี้ ค, คล้ายๆกันแต่ว่าจะไปลงท้ายเท่านั้นที่จะสรุปให้เห็นว่าโลกาทิปไตยกดีนะ ธรรมาธิปไตยก็ดีจะจะจะจะต่างกันเอาลองอ่านดูถึงโลกาธิปไตยแล้วก็ธรรมาธิปไตยดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ค่อยสรุปเอาตัวความหมายมาอธิบายกันดูกระดับพิสุท์ทั้งหลายก็โลกาธิปไตยเป็นฉไหนดูกระดับพิสุทธ์ทั้งหลายพิษุทธ์ในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่า ก, ก็ดีอยู่โคนไม้ ก, ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมสำเนียกว่า ก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบิณฑบาตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้อัญชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกโทมณตอุปายาสครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้วมีทุกท่วมทับแล้วฉะนั้นการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ ก, การที่เราออกบวชเป็นบรพพชิตนี้พึงตรึกกามวิตกกดีพึงตรึกพยาบาทวิตตกกดีพึงตรึกวิหิงสาวิตตกกดีก็โลกสันนิวาตนี้ใหญ่โตในโลกสันนิวาตอันใหญ่โตย่อมจะมีสมณพราหมณ์ที่มีฤทธิ์มีทิพจักษุรู้จิตของคนอื่นได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แม้แต่ไกล แม้ไกลๆเราก็มองท่านไม่เห็นและท่านย่อมรู้ชัดซึ่งจิต ด, ด้วยจิตสำนักพราหมณ์แม่เหล่านั้นก็พึงรู้เราดังนี้ว่าดูกระ่ันผุเจริญทั้งหลายดูกรบุตรนี้สิเขาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วแต่เกลื่อนกลลไปด้วยธรรมะที่เป็นบาปอากุศลอยู่ถึงเทวดาที่มีฤทธิ์มีทิจักสุ รู้จิตของคนอื่นได้ก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แต่ไกลแม้ใกลๆเราก็มองท่านไม่เห็นและท่านยอมรู้ชัดซึ่งจิต ด, ด้วยจิตเทวดาเหล่านั้นก็พึงรู้เราดังนี้ว่าดูกระ่ันผู้เจริญทั้งหลายดูกุลบุตรนี้สิเขาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตแล้ว แต่เกลือนกลนไปได้ธรรมะที่เป็นบาปอากุศลอยู่เธอย่อมสำเนียกว่าความเพียรที่เราปรารบแล้วจักไม่ย่อหย่อนสติที่เขาไปตั้งมั่นแล้วจักไม่หลงลืมกายที่สงบระงับแล้วจักไม่ระส่ำระสายจิตที่เป็นสมาธิแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่ดังนี้เธอทําโลกให้เป็นใหญ่ แล้วละอกุศลจเจริญกุศลจเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษจเจริญกรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์ดูกระพิสุทธิ์ทั้งหลายนี่เรียกว่าโลกาธิปไตย <Yeah. S 1> สรุปแล้วก็คือคาว่าโลกคาว่าอัตตาเนะี่ยคือตัวเราเองแท้ๆนะในที่ทันไมายเนี่ยว่าทตนเองให้เป็นใหญ่ ตอนนี้นี่ทำโลกคําว่าโลกนี่ท่านก็ขยายความแล้วว่าในโลกสันนิวาตใหญ่โตนี้นะนะแล้วท่านก็บอกว่ามันก็คงจะมีนะย่อมจะมีสมณพราหมณ์ที่มีฤทธิ์มีทิพยสุรู้จักจิตคนอื่นได้สรรมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แต่แม้แต่ใกล้แต่ไกลอะไรต่างๆนา น, นาเ น, น, น, นี่อยอมย่อมรู้จิตใ น, นจิตสรรมณพราหมณ์เหล่านั้นล่อมย่อมรู้เราดันนางนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นก็ มองผู้อื่นมองข้างนอกให้ข้างนอกนี่แหละเป็นที่พึ่งอัตตาทิปไต้นั่นเรานี่แหละเป็นที่พึ่งในตัวเราเราต้องทำตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเราเองสโลกาทิปไต้นั่นเอาคนอื่นเป็นที่พึ่งคนอื่นช่วยเราได้นะเอาคนอื่นช่วยเราได้ทำคนอื่นให้เป็นใหญ่มีศรัทธามีอะไรต่างๆนานามีความ เข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องศึกษ า, ามีสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมีอะไรแตะะไร่ไดดูว่าผู้ที่ศึกษาดีก็มีเป็นผู้ศึกษาไม่ดีก็มีผู้ศรัทธาออกบวชแล้วก็เกินกลไปด้วยธรรมะที่เป็นบาปก็มีส่วนพวกที่ศึกษาแล้วมีผลดีเป็นผู้ที่บรรลุธรรมรู้แจ่มมีฤทธิ์เนี่ย มีทิปฐจักสุรู้จิคนอื่นหรือเป็นอะไรต่ายรที่มันเป็นวิชาที่สามารถพึ่งได้ก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเธอทำโลกให้เป็นใหญ่ก็หมายความว่ า, าพยายามที่จะเอาสิ่งที่อยู่ข้างนอกสิ่งที่รอบแวดล้อมสิ่งที่เป็นส่วนข้างนอกนมาม า, มาเป็นผลมาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองเกิด ละอกุศลเจริญกุศลละ ก, กรรมที่มีโทษได้นะทีนี้เราเอาดูธรรมมาธิปไตยดูกระดับพิสุทธ์ทั้งหลายก็ธรรมมาธิปไตยเป็นไนดูกระดับพิสุทธ์ทั้งหลายพิกษุทในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่า ก, ก็ดีอยู่ในโคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีอยู่ย่อมสำเนียกว่าก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบิณฑบาตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้น ก็แต่ว่าเราเป็นผู้อันชาติเชรามารณโสกัปริเทวทุกโทมบรร pues ณอุปายาสครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกท่วมทับแล้ว น, นี่มันจะตกไปเนี่ยว่าเราพอเรามีมีทุกท่วมทับแล้วนี่มันตัดไปเลยมันมีอันนึงก่อนจะมีทุกท่วมทับแล้วนีในบทอันก่อนนะแปลว่าเป็นผู้มีทุกครอบงำแล้วแล้วค่อยๆมีทุกท่วมทับนี่ตกไปวรรคนึง ใ น, นการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏพระธรรมอันพระธรรมอันผู้มีพระภูมีพระภาคตรัสดีแล้วอันบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการคนเรียกใคมาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวิญญูชนจะพึงรู้เฉพาะตนก็เพื่อนสับพรมปิจิมัจจารีผู้รู้อยู่เห็นอยู่มีอยู่แลกก็และการที่เราได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินนีอันพระภูมิพระภาคตรัสดีแล้ว จะพึงเป็นผู้เกียจคร้านมัวเมาประมาทอย่างนี้ข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยดังนี้เธอย่อมว่าก็ความเพียรที่เราปารบแล้วจกไม่ยอ่อย่อนสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วจะไม่ลงลืมกายที่สงบระงับแล้วจกไม่ระสำมระสายจิตที่เป็นสมาธิแล้วจะมีอารมณ์แน่วแน่ดังนี้เธอทำธรรมะนั่นแลให้เป็นใาญ่และละอกุศลเจริญกุศล ละกรรมที่มีโทษเจริญกรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์ดูกระพิสุทธิ์ทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมมาทิปไตยดูกระพิสุทธิ์ทั้งหลายอธิปไตยสมอย่างนี้แหละนี่ก็รู้ธรรมะรู้เนื้อหาของธรรมะธรรมะตั้งแต่หมายความว่าคําสอนรู้เนื้อหาของคําสอนนะ แล้วก็ทําคําสอนหรือว่าพยายามให้คําสอนนี่เกิดอํานาจเกิด<อ> ค, ความเป็นใหญ่ขึ้นให้ได้นะทำให้มีฤทธิ์มีแรงขึ้นให้ได้มันตั้งแต่คําสอนปริยัตเราก็พยายามเอามาปฏิบัติธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นมาจากปริยัติขึอนจากความหมายที่แค่ว่าคําสอนธรรมะนั้นก็มาเป็นเนื้อมาเป็นสภาพมาเป็นเนื้อเป็นตัวในสภาพมาเป็นสิ่งที่ทรงขึ้นทรงไว้ เป็นธรรมะที่จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเกิดทรงไว้ในตัวเรานี่เป็นเนื้อหาของสภาวะธรรมะถ้าแค่คำสอนแต่แค่แค่ที่ฟังปริยัตเท่านั้นมันไม่พอธรรมะของพระเจ้านี่เป็นปริยัตแล้วก็เอามาปฏิบัติจนเกิดสภาพจริงจนกระทั่งเรียนรู้ทรงขึ้นเกิดขึ้นจนกระทั่งจบจนกระทั่งรู้รอบกระทั่งมีความเป็นจริงเกิดขึ้นในสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ความสมบูรณ์เป็นกุศลทั้งบุคทั้งหมดได้ละอกุศลทั้งมวลนะมีแต่กรรมที่ไม่มีโทษนะสมบูรณ์ไดนะ้อย่างนั้นทำให้มีอำนาจทำให้เป็นฤทธิ์ทำให้เป็ น, เ ป, นเป็นใหญ่ขึ้นมานะมุ่งเข้าไปเจาะเข้าไปหาตัวเนื้อหาสาระโดยตรงนะ สรุปแล้วเดี๋ย ว, ยวอ่านคถาอีกสุดท้ายนะท่านวางี้ขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกสำหรับผู้ทาบาปกรรม น, นี่จไว้ท่านวางั้นขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกสำหรับผู้ทาบาปกรรมดูกระบุรุษจริงหรือเท็จตัวของท่านเองย่อมจะรู้ได้แน่ผู้เจริญท่านสามารถที่จะทำความดีได้หนอ แต่ท่านดูหมินตนเองเสียอันหนึ่งท่านได้ปกปิดความชั่วซึ่งมีอยู่ในตนท่านนั้นซึ่งเป็นคนพาลประพฤติตึงๆหย่อนๆ อ, อันเทวดาและพระตถาคตยอมเห็นได้เพราะฉะนั้นแหละคนที่มีตนเป็นใหญ่ควรมีสติเที่ยวไปคนที่มีโลกเป็นใหญ่ ควรมีปัญญาและเพ่งพินิจและคนที่มีธรรมะเป็นใหญ่ควรเป็นผู้ประพฤติโดยสมควรแก่ธรรมมุนีผู้มีความบากบันอย่างจริงจังย่อมจะไม่เลวลงอันหนึ่งบุคคลใดมีความเพียนขมขีมานครอบงำมัจจุผู้ทาที่สุดซสได้แล้ว ถูกต้องธรรมะอันเป็นที่สิ้นชาติบุคคลผู้เช่นนั้นยอมเป็นผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีเป็นมุนีผู้หมดความทยานอยากในธรรมะทั้งปวงท่านว่าไว้นี่แรงนะดูคาถาอันท้ายนี่นะ พราะงั้นผู้ที่เป็นสมณะเป็นพระเป็นภิกษุผู้ที่ได้บวชแล้วนี่จะฟังธรรมะพุทธเจ้านี่นะพุทธเจ้านี่พูดยิง่งท่านยิ่งตรัสยิ่งสอนนี่นะท่านตรงแล้วก็มันก็ตรงตรงนี่แหละมันแรงนะถ้าพูดแล้วก็โดนมันก็โดนขัดโดนเกลา่ามีสันเลกระทำเสมอหมายความว่ามีการขัดเกลา่ามีการตำหนิมี นิคหะนิคหนะมีการตำหนิมีการข่มอยู่เยอะนะแล้วก็ที่เมื่อไรเมื่อไรก็ถูกข่มเรื่อยอะ่ะขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกสำหรับผู้ทำบาปดูกระบุรุษจริงหรือเท็จตัวของท่านเองย่อมจะรู้ได้นะฟังแล้วก็เตือนอย่างดีเลยนะแนะ่ผู้เจริญท่านสามารถที่จะทำความดีได้หนอ แต่ท่านดูหมิน่นตนเองเสียะจะเพราะเราทำหะยะแย่ทำเป็นแหวเราเองไปไม่ได้แร้วเราคงได้แต่ทนนี้ล่ะอะไรต่างๆนานาพวกนี้ไม่สมควรนะเราจะต้องพักเพียนกระทำไปตามฐานะอันหนึ่งท่านได้ปกปิดความชั่วซึ่งมีอยู่ในตนท่านนั้นซึ่งเป็นคนผ่านประพฤติตึงๆย่อนๆอันเทวดาและพระตถาคตจอมเห็นได้ เทวดาย่อมเห็นได้ก็หมายความว่าจิตวิญญาณเทวดาเนี่ยต้องคำจำให้ได้เลยว่าเทวดาหมายถึงจิตวิญญาณของแต่ละคนนี่แหละในความหมายธรรมดาจะเป็นคนอื่นก็เป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่จเจริญเปจิตวิญญาณที่มีความสามารถอย่างไรอย่างไรก็เป็นของคนอื่นซึ่งเราเองเราเข้าใจจิตวิญญาณของเราให้ดีแล้วจิตวิญญาณของคนอื่นจะเป็นอย่างไรจะอยู่ที่ไหนก็มันก็เป็นเรื่องของเขาแต่มันก็มีลักษณะเหมือนกันเทวดาก็คือจิตวิญญาณที่เจริญขึ้น ถ้าเทวดาปลอมสมมติติเทพก็เป็นจิตวิญญาณที่มันเป็นอย่างโลกโลกนะมันเจริญก็เจริญอย่างรลกฉลาดฉลาดก็ฉลาดอย่างเชโกนะลหลงไหลในลาบยศสรรเสริญโล ก, กียสุขอยู่แล้วก็ได้ลาบมาก็สมใจสะสมกอบโกยเอาเปรียบรัฐได้มาก็เป็นหนี้เป็นสินอยู่ในโลกโลกอย่างโล ก, กีอ่ะได้มาเสพสมก็รู้สึกเป็นสุขเหมือนขึ้นสวรรค์เป็นสุขอยู่อย่างโล ก, กียสุขเป็นสุขคาลิกะ มุนเวียอยู่อย่างนั้นแหะเป็นสมมุติเทพเป็นเทวดาที่รู้รกันทุกคนปุถุชนรู้จักเทวดาแบบนี้ทั้งนั้นน่ยนี่เรียกว่าเทวดาอีก ช, ชนิดหนึ่งเทวดามีสามชนิดน่ยที่เคยอธิบายแล้วก็พยายามที่จะเอามาขยายความเามาพูดให้สู่ฟังอยู่เรื่อยๆยนะนะส่วนเทวดาที่จริงนั่นเป็นเทวดาที่รู้จักเทวดาแบบสมมติ เทวดาแบบสมมติเป็นอย่างไรอย่างไรก็คือจิตวิญญาณเรา่ะมันรสอร่อยอย่างไรมันเป็นอย่างไรรสอร่อยมันเป็นอย่างไรแบบโลกโลกเสพสมถุกสมอย่างไรเข้าใจรสอร่อยนั้นอัสาธะนั้นแล้วเราก็มาละกิเลสที่มันอยากได้อย่างนั้นอย่างนั้นจะอยากได้จังมาสมใจในอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ข้างนอกๆเลยตั้งแต่วัตถุอยากได้วัตถุอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อะไรแต่ใมาสมใจเป็นลาบ ถ้าอยากได้โดยทําแล้วเราก็สร้างขึ้นทําขึ้นมันก็เป็นสัจจะนะก็เป็นเราเป็นของเราที่มีสิทธิ์แต่เราไม่ได้ทําขึ้นไม่ได้สร้างขึ้นไม่ได้เป็นสิทธิ์ไม่ได้เป็นสัจจะเลยมันเป็นของเราเป็นของคนอื่ น, น, นเขาไปเอาของคนอื่นมามันไม่ได้เรื่องอนะ่ะแต่เอาเปรียบ <c oughs> รัฐอะไรมาไม่ได้เริ่มเป็นนี่เป็นบาปมันเราพยายามสร้างขึ้นสร้างแล้วก็เผื่อแผ<พ>่ แ, แจกจ่ายเจือจานนนอีกมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีที่เหนืออยู่จริงๆจังๆนะ มันเอาให้ชัดๆเลยนะเอาให้ชัดเอาให้จริงๆเราเรียนรู้ลักษณะของจิตเจตสิกพวกนี้ให้ดีๆแล้วเราก็าฟื้นเกื้อกูลช่วยเหลือเฟืฟ้นฝายอะไรอะไรไปให้ดีนะแล้วเราเกื้อกูลขึ้นมันก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างที่เรารู้กันอยู่นะเราที่เราอาตมาก็สอนซ้ําซ้อนอยู่มากมายและอ่านอาการให้ชัดๆอาการที่มันมันเสพรสนะ่ย อาการเสพรถนั่นแหละเป็นตัวร้ายนะเป็นอัตสาหะเป็นตัวที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโลกีจะสุขอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้พธรรมวิจารณ์เนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกมันหลอกสุขะลิกะมันหลอกลวงถ้าบอกว่าเราลดละมันได้จริงจริงจริงจริงเลยนะมันก็จะหมดสุขและทุกข์มันก็จะหมดไปด้วยเพราะว่ามันมีตัวเหตุมันอยากมางก่อนแล้วมันก็สมใจแล้วมันก็สุขเท่านั้นแหละในโลกอ่ะนะเพราะฉนั้นสมมติ เทพหรือว่าเป็นเทวดาสมมุติอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่อนะเป็นสัจจะอย่างโลกโลกสมมติติสัจจะอย่างนั้นนะรู้กันทุกคนเคยเป็นเคยมีแล้วก็เสพอยู่หลงจมอยู่ก็อย่างนั้นมาตลอดถ้าเรามาลดละอันนั้นได้จริงจริงๆขึ้นไปลดได้เท่าไหร่ก็เรียกว่าอุบัติอุบัติเทพจิตวิญญาณเจริญขึ้นเจริญขึ้นได้เรื่อยๆความมีเทพเป็นเทพหรืจิตวิญญาณอย่างนั้นจริงนั่นแหละเป็นผู้ที่รู้จริงมีทิพยปจักษสุ เป็นตาทิพย์ที่เราอ่านออกมีญาณมีปัญญานั่นแหละไอ้จักสุทิวาในดวงตาหรือความรู้ความเห็นนี่ปัญญายานนี่ก็ตามวิชาก็ตามอันนี้แหละความรู้เห็นความจริงอาการมันเป็นยังไงรู้อ่านออกของตนของตนอ่าเรียนรู้แล้วมันลดเป็นลดได้ถูกสภาพลดลงจางคลายลงตามเห็นตามรู้จนกระทั่งมันหมดมันดับ สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสไม่มีความอยากอย่างนั้นเลยไม่มีรสอร่อยอย่างนั้นได้จริงเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละเหตุปัจจัยที่เราเองเราเอามาปฏิบัติพวกนี้ถ้าจับความจับคําที่อัตมาอธิบายนี่แม่นจับแม่นแล้วเอาไปปฏิบัติประพฤติจริงๆเลยนะอ่านพิสูจน์ไปจริงๆเลยแล้วคุณจะรู้ว่าเออเรานี่เกิดเป็นเทวดาแล้ว เป็นเทวดาอุบัติเน่ไม่ใช่เทวดาอย่างโลกโลกอะ่ะมีมากๆก็เอามาเสพสมสุขสมมากมก็สแสวงหาแต่เสพสมสุขสมอยู่งนั้นแล้วก็ตกนรกขึ้นสวรรค์วนเวียนอยู่เป็นสังสารวัตไม่รู้จบนะเป็นสัตว์นรกสัตว์สวรรค์เป็นสั ต, รรสตสวต์แต่เป็นเทวดาแบบสมมุตินั่นแหละแล้วก็ตกสวรรค์ลงนรกหมุนเวียนอยู่นั่นแหะกี่ชาติกี่ชาติเมื่อไรเมื่อไรเป็นอย่างนั้นไม่มีไม่มีจบเพราะถ้าไม่เรียนรู้สภาวะ ที่อาตมาพยายามว่าอธิบายให้พวกเราฟังได้เข้าใจง่ายแล้วนะสภาพมันชัดเจนแล้วนี่พวกนี้ถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าใจอ่านไม่ออกสภาพว่าพวกนี้นี่เขาไม่ถึงอย่างไม่ถึงแล้วก็ไม่มันไม่มีทางเราปฏิบัติทำยังไงก็ไม่มีทางแต่ถ้าเผื่อว่าปฏิบัติแล้วอ่านได้เนี่ยจิตใจเป็นอย่างที่ว่านี่เห็นรู้ชัด จับสภาวะได้จริงเรียกว่าปรมตัตสัจจะรูป ร, รู้นามก็คืออ่านอาการทางจิตโดยเฉพาะอาการทางจิตที่ที่รู้ได้ไออาการของจิตที่เรารู้ได้วิเคราะห์ออกว่านี้มันเป็นกิเลสและดับมันได้จางคลายมันได้จริงๆอันนี้เป็นจิตวิญญาณจิตวิญญาณ น, นี่มันดีขึ้นมันลดจางคลายไปแล้วจิตวิญญาณเกิดญานเกิดปัญญาเกิดปยยิติอะไรก็แล้วแต่ หรือแม้แต่จิตของเราไม่ปิติแล้วอุเบกขาแล้วสบายดีแล้วรู้มีแต่ยานพวกนี้เราจะเกิดความรู้ที่เป็นตาทิพย์ที่วิเศษขึ้นเรื่อยๆเป็นทิพย์ไปจากสุรู้จิตคนอื่นในที่นี้นี่แปลตามพยัญชนะรู้จิตอื่นที่จึงประเนี่ยจะเรียกว่าคนก็ได้จะเรียกว่าอย่างอื่นอันอื่นก็ได้ถ้าไปเรียกตัวตนก็เป็นตัวตนถ้าไม่เรียกตัวตนก็เป็นสภาวะรู้จิตอื่นถ้าไม่ได้มีคําว่าคนหรอก นะพระพะพะเนี่ยาจังเก่งท่านก็เรียกว่าพระสัตตานังนะพระบุครานังบางทีก็บอกว่าเอาเป็นคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องรู้จักสัตว์อื่นก่อนสัตว์ที่เป็นเทวดาสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะสัตตาโอปปาติกานี่แหละสาคัญถ้าเราสามารถรู้สัตว์อื่นที่เป็นจิตวิญญาณว่าอย่างงี้เนี่ยเป็นสัตว์นรกสัตว์สวรรค์สัตว์สวรรค์อย่างสมมุติอาการของจิตนี่เราเป็นสัตว์ สัตตาอุปปาทิกาเราอ่านสัตตาอุปปาติกานี่ออกตัวนี้เลยเป็นตัวสำคัญถ้าผู้ใดไม่มีตาทิพหรือว่าไม่สามารถอ่านสัตตาอุปปาติกาคือการเกิดการตายการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณเปลี่ยนแปลงเจริญขึ้นมีกิเลสตายมีจิตเกิดจิตไปเกิดเป็นเทวดา ถ้าอานอั น, นี้ไม่รู้เห็นอันนี้ไม่ได้จริงๆนะปฏิบัติธรรมรู้เจ้าไม่ได้ถึงขั้นมรรคผลหรอกจะถึงขั้นมรรคผลต้องอ่านอันนี้ออกจริงๆคำว่าประสัปตาังสัตว์อื่นนะสัตว์ที่เป็นอีกอย่างหนึ่งสัตว์อย่างโลกีมีสุขมีทุกข์มีนรกมีสวรรค์แบบสมมติสัจจะแบบสมมติติเทพเราวิเคราะห์ออกว่าต่างกัน เปลี่ยนจากการเป็นสมุติเทพเป็นเทวดาที่เสพสุขแล้วก็ตกสวรรค์ลงนรกอย่างนั้นได้แล้วก็ยงกระทั่งไม่ต้องขึ้นสวรรค์ไม่ต้องลงนรกไม่ต้องอยากอีกไม่ต้องตกนรกอีกแล้วก็ไม่ต้องเสพรสอะไรอีกได้จริงๆจริงๆนะ่ะคุณจะเห็นชัดความจริงว่าอันนี้แหละเป็นการเกิดใหม่เป็นอุบัติเทพถ้าทำได้สะอาดก็เป็นวิสุทธิเทพอยางที่อธิบายไปแล้ว จะเป็นการเกิดจนกระทั่งคุณจะรู้มียานอ่านวิมุตติยานทัศนะเมื่อมันลดจางคลายแล้วมันก็รู้รสของความจางคลายเรียกว่าธรรมรสจนถึงวิมุตติรสเออรรสนี้มันหมดแล้วนะหลุดพ้นแล้วไม่มีเหลือเชื้ออดอยไม่มีอสส า, าถ้าไม่มีอะไรมันเป็นรสสงบมันเป็นรสที่ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแนหะคุณจะบอกตัวเองได้ว่าเออแล้วรสอย่างนี้แหละ ดังนี้เรเียกว่าวิมุตติรถว่าเป็นรถนิพพานจนนะคุณจะเอาไหมรถอย่างนั้นคุณจะเอาไหมล่ะอ่านรถอย่างนั้นให้ออกนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละเป็นลักษณะที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้นะเป็นผู้ที่นี่ท่านอธิบายพวกนี้มันเป็นคําย่อๆอธิบายในเรื่องวิชาในเรื่อง วิชาก้าประการตั้งแต่ฌานตั้งแต่วิปัสนาญาณมโนมยิทธิอิทธิวิธีรู้อะไรแต่ใดเป็นวิชาพวกนี้มาอธิบายมามากแล้วก็เป็นลักษณะที่มีตาทิพย์มีญาณมีวิชาที่เขาไปเห็นเข้าไปรู้เข้าไปสามารถอย่างนั้นจริงๆนะผู้ใดเห็นด้วยตนรู้ด้วยตนผู้ใดอ่านกิเลตตัวเองออกภูนะัเกิดตาทิพยนะ์ะอ่านออกชัดชัดดูรู้อ๋ออาการนี้และยิ่งสามารถทำให กิเลสอาการของกิเลสเหล่านั้นมันลดจางคลายมันหน่ายมันคลายมันมีบทบาทน้อยลงน้อยลงน้อยลงได้นั่นแหละยิ่งมีความสามารถยิ่งกําลังเจริญและทําไปเรื่อยๆทําจริงๆทําเสมอๆเหตุปัจจัยยิ่งเราเองจะกล้าแข็งยิ่งได้เกิดเป็นเทวดาที่จริงแล้วนี่นะยิ่งจะอยู่กับโลกเนี่ยสบายแล้วเราก็ยิ่งจะสัมผัสมีอินทรีย์มีพละมีกําลังมีความแข็งแรง ยิ่งสัมผัสได้ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าที่สูงขึ้นสโสดาสกิทาอนาคาขึ้นไปเรื่อยๆนี่ยิ่งอยู่ในโลกยิ่งเข้าไปสู่โลกยิ่งมีอินทรพลักแข็งก็ยิ่งอยู่รู้เท่าทันมีตาที่เกิดญาณปาัญญารู้เท่าทันได้เก่งขึ้นเข้าใจต่อสัมผัสเข้าใจต่อที่มันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราสัมผัสกับมันเนี่ยมันจะก่อให้เราเกิดอาการ โลคโกรธหลงหรือวัดเนี่ยท่านไลฟังว่าเราจะเกิดอาการเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกในสังกปะก็มีหลักสามเท่านั้นแหละเบียดเบียนในเบียดเบียนตนได้ทีนางมิตรทางเบียดเบียนตนได้อุทจกุกุจักนะเบียดเบียนตนได้ทีนางมิถ่าเบียดเบียนตนได้อุทจักกุกุจักหรือเบียดเบียนตน โดยที่ตนเองยังเหลือส่วนอะไรอยู่ยังไม่ชัดไม่เจนยังสงสยัยยังข่องใจยังไม่จบสนิทยังไม่เกิดญาณอย่างรู้รอบแจ้งรอบสมบูรณ์สุดยังมีวิจิกิจฉาอยู่นิวรห้านั่นลนะะเอียดละอในสังกัปะนี่ก็อย่างนั้นนะกามก็พยาบาทก็เป็นต้นรากต้นเข่าหยาบยาบลึกเข้าไปก็เหลือถีนังกับอุทจจะนะเพราะฉะนั้นทีนมิทะ มันก็คือสภาพที่เราไปยึดติดยึดเป็นอัตตาเหลือภพเหลือชาติเหลือส่วนเหลือจะเป็นแค่รูปราคะอรูปราคะก็ตามแล้วยังแสแถมสร้างในตัวเองติดยึดเป็นอัตตามานะอะไรเป็นถือเป็นก้อนเป็นกองเป็นตัวภพตัวชาติอยู่ในจิตหรือ แ, แม้แต่อุทจจัสิ่งที่มันตีแตกแล้วแล้วมันก็เป็นลักษณะอาการที่ยังเหลือส่วนเหลื อ, อ กระเซ็กระเดินหรือว่ายังเหลือพิว๊วพิายพยังเหลืออาการที่มันยังเป็นรถที่เราเองยังมีภพมีชาติที่เรายัางติดยังยึดไปเป็นเราเป็นของเราอะไรอยู่อย่างละเอียดละออก็คือการยังเบียดเบียนตนยังเกิดทำให้ตนเองนี่ติดยึดอยู่ยังมีสภาพอะไรต่อยะไรอยู่ยังมีเหลืออยูอ่มันไม่ใช่ว่ามันหมดไปมันยัมีความรื่นรมมันยังมี สภาพของหะสะจนเป็นหาสระในแวารื่นรมหาสะนี่เป็นความรื่นรมเป็นรสชาติน ะ, ะเพราะงั้นผู้ใดยังติดความรื่นรมติดอะไรใจยังมันยังรู้สึกยินดีปรีดาที่เซพอะไรมากๆนี่เรียกว่าหาสะหาสะนะหิงสาหาสะหิงสาเปมาจากรากศัพตวหะตัวอัตมาวิเคราะห์พวกนี้แล้ ว, ล ว, วรเราโพบเรีนทำเขาคันหัวใจ มาจากราบศัพหะเนี่ยตัวหอเนี่ยขะหะบดีเนี่ยผู้ที่ประกอบไปด้วยขะหะความเป็นหะเนี่ยมันเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องของมนุษย์ในโลกเป็นศัตว์โลกขะห ะ, ะเป็นขะหะเป็นเป็นคนโลกโลกไปเรื่อยๆ เ, เพราะเราจะต้องรู้ตัวตัวความหมายสภาวะพวกนี้ชัดชัดแล้วก็จนกระทั่งเราไม่เป็นแล้วขะหะในโลกแล้วเราก็ไม่หลงไหลในสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งเรารู้จักเราอาศัยได้นะ อาศัยแต่ว่าเราเองเราไม่ได้หลงไหลจริงๆไม่ได้เห็นว่าเป็นเราเป็นของเราจริงๆแต่ว่าถ้าเราจะอยู่เราจะมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่อย่างเบิกบานร่าเริงอยู่อย่างเข้าใจว่าอันนี้เป็นเครื่องอาศัยที่ดีเป็นเครื่องอาศัยที่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทุกร้อนอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่แท้จริงที่เราจะหลงพึ่งมันเป็นนิรันพึ่งมันเป็นทั้งๆที่มันเที่ยงนะเราทาให้มันแข็งแรงนี่มันจะเที่ยง ทำให้มันเบิกบานร่าเริงได้อย่างแข็งแรงเรารู้เท่าทันปีติที่เป็นอุปกิเลสซ้อนซ้อ น, อนเราก็รู้ทันและเราก็ละได้จางได้อาศัยเท่าที่เราจะอาศัยเท่านั้นหรือเราจะปรุงขึ้นมาเราก็ไม่ได้ดูดดืม่มปรุงขึ้นมาให้เป็นรสเป็นชาติอะไรก็ได้แต่เราก็ไม่ดูดดืม่มรสชาติตามที่เรารู้ในสัญญาโดยการกําหนดรู้ถอดจําได้แล้วก็กําหนดขึ้นมาปรุงขึ้นมาด้วยเป็นวิสังขารปรุงขึ้นมาอย่างยิ่ง เราจะทดสอบตัวเราได้พระพุทธเจา้าท่าได้บอกว่ า, าท่านได้ปกปิดความชั่วซึ่งมีอยู่ในตน้นท่านนั้นซึ่งเป็นคนพาลนะหรือว่าท่านสามารถที่จะทำความดีได้หรือว่าท่านเองท่านไม่มีชื่อขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกสำหรับผู้ทำบาปกรรมนะจริงเท็จจริงหรือเท็จ ตัวของท่านเองย่อมจะรู้ได้เราจะรู้ได้ตรวจสอบทำไปอ่านตัวเราเองอ่านจิตอ่านใจอ่านไปเรื่อยๆมันจะเกิดญาณเท่ากับเราสร้างสร้างให้จิตใจของเราเนี่ยมนเป็นญาณที่แหลมคมเป็นญาณที่มีอํานาจเป็นปัญญาปัญญินรียแล้วก็ปฏิบัติไปจริงๆมันจะเกิดสภาพเกิดสภาพเสรเราก็จะอ่านความจริงเหล่านั้นออกมีความแตกต่างกันอาการลิงคะนิมิตเนี่ย เราจะจับอาการเหล่านี้เราเปรียบเทียบไปวินิจฉัยไปมันจะมีอาการที่ต่างกันเราจะค่อยๆรู้อย่างยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างนี้มันเป็นไปในข้างไหนอย่างนี้เป็นตัวเป็นตนหรือไม่เป็นตัวเป็นตนอย่างนี้วางได้หรือวางไม่ได้เรายังติดยึดอยู่เป็นเรามันเป็นอย่างไรมันมีอาการหรือไม่มีอาการที่ยังยึดยังติดมันละเอียดละออขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอ่านสภาวะนเราหลงว่าเป็นเราเราเเ ร, าราิมเราเล็มเรา ยังดูดดืม่มเรายังไม่ดูดดืม่มไอ้นี่เราก็เข้าใจแล้วแต่อย่างนี้ก็เออแค่นี้ก็มันก็ง่ายดายดีแล้วมันไม่ต้องดูดดืม่มอะไรหรอกก็เป็นเครื่องอาศัยพอสมควรแล้วเราก็ไม่หลงติดว่าถ้าเราไม่ได้อย่างนี้แล้วเราไม่เป็นสุขมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรมาเปลี่ยนมาแปลงมาอะไรมันไม่เที่ยงเราก็ไม่ได้ติดใจยืนไม่ติดติดใจว่าจะต้องยืนยังยืนยงจะต้องคงมัน่นจะต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้ทาไม่ได้อย่างนี้แล้วเราก็เสียใจเราก็อะไรไม่ เราจะเข้าใจเลยว่าสภาพทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายๆแล้วพอยิ่งเราเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงให้แก่เราแล้วเราก็ไม่ได้เกิดจิตใจทุกโทมานัตพิริพิไรที่จะต้องสแสวงหาต้องการอะไรเราก็จะอยู่ได้มันจะเป็นยังไงก็ไม่เพราะจิตใจนี้ยิ่งจะแข็งแรงขึ้นการเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงเห็นว่ามันทุกข์ก็ไม่ทุกข์ จะเห็นความจริงที่ว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์จะต่างกันอย่างไรอย่างไรจะเท้นได้ชัดขึ้นเลยว่าเออเราไม่มีทุกข์ในใจใจมันไม่เกิดอาการโสกะไม่เกิดอาการปริเทวะจิตใจไม่เกิดการหมุนหมอไม่เกิดการแบบบบอะไรไม่หวั่นไม่ไหวปริเทวะก็คือสภาพที่ยังพิริพริไรพิริพริไรโหยหาต้องการอาการที่เราคิดว่าดี อาการอย่างที่ดีมันไม่ได้ในใจไม่มีโหยมีหาอะไรมันจะไม่ดีบ้างดีบ้างอะไรสลับสับเปลี่ยนไปก็ไม่มีปัญหายิ่งรู้เท่าทันยิ่งไม่มีปัญหาลไอรสชาติอัาธาที่รมันเป็นรสชาติที่เรียกว่าย่างงี้ลามันอร่อยอย่างงี้ลามันสบายอย่างงี้ละมันชื่นใจถ้าเราไม่ได้ก็โหยหามันยิ่งไม่ถือไม่สื่อสารมันยิ่งจะไม่มีอาการที่จะเป็น ไม่ยิ่งมีรลีผรายยิ่งไม่อะไรอาวอ์ยิ่งไม่ต้องการมันยิ่งจะไม่มีถ้ายังต้องการมันก็จะต้องมีมันแปลกนะยิ่งต้องการมันยิ่งจะต้องมีมีอะไรมีโสกับปริเทวะมีทุกข์ก็เพราะเรามีปริเทวะกว่าเพราะเรามีการยังโหยหาอาวอ์ต้องการมันจึงมีโสกะถ้าเราไม่มีอาการโหยหาอาวอ์มันจะเป็นอะไรก็เอออันนั้นแหละมันจะไปโหยหาอะไรไม่หรอกมันก็เปลี่ยนแปลงไปงั้นแหละ คุณยิ่งจะไม่มีโสกกไม่มีทุกข์นะและก็ไม่มีโทมนัสไม่มีอุปายาสอะไรขึ้นไปได้ชัดขึ้นเลยฝึกไปเถอะแล้วทาไปแล้วคุณจะเกิดเห็นอาการที่แตกต่างกันว่าเออนี่เรามีทุกข์เป็นอย่างนี้นี่เราไม่มีทุกข์เป็นอย่างนี้เราไม่มีโสกะเป็นอย่างนี้เราไม่มีปริเทวะไม่มีการพิริพิไยอะไรอาวรนต้องการห่วงหาไม่มีไม่มีอะไรอึดอัดขัดเคืองไม่มีอะไรลาบากราบนใจโทมนัสคือความไม่พอใจอ่อนลงไปกว่าทุกข์นั่นแหะ ก็ไม่มีอุปยาสัอึดอัดขัดเครื่องยังไงยังไงก็มีมันโป่งโล่งสบายว่างไปเรื่อยเป็นความโปร่งจะโปร่งยังไงจะใสยังไงคุณจะรู้อาการนั้นเองมีลิงคะลิงคะนี่ตัวที่ยังเหลืออยู่แม้จะทุเรีละอองขนาดไหนก็จะเกิดยานค่อยรู้มันต่างกับความไม่มีอย่างไรก็ยิ่งจะลึกแหลมขึ้นฝึกปลือไปอานอาการทุกเวลาอ่านจริงๆจึงจะเกิดยานจริง เกิดยานที่ตรวจสอบเกิดยานที่ทุกภาวะทุกขณะทาตัวอย่างเหตุปัจจัยนั้นนั่นนี่ที่เราไปติดไปยึดอะไรมันก็จะมารูปรอยเดียวกันมหมดละมันมีอาการของกิเลสตัณหาอย่างไรเหตุปัจจัยจะเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัดเยอะแยะรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสตัวตนบุคคลเราเขาวัตถุสมบัติเรื่องไหนๆก็แล้วแต่มันจะมีสารพัด ย, ย้อนๆแล้วปฏิบัติกระทบสัมผัสมาแล้วก็มาเหลือที่จิตเราเราเองปรารถนาหรือไม่ปรารถนาหลงไหลมันหรือไม่หลงไหลมันมันกระทบสัมผัสแล้วก็รู้ความจริงตามความจริงเสร็จแล้แลวเราก็ใช้หรือว่าอาศัยอยู่กับมันอย่างไม่ได้หลงไหลไม่ได้เป็นทาสอยู่กับมันก็ใช้มันจะช่วยเหลือผู้อื่นกับปรุงแต่งสร้างให้ผู้อื่นไปเราเองเราไม่ได้มีการหลงไหลไม่ได้มีการให้มันบมเรอบม บ, บัดอะไรเราได้แล้วจริง ปรมามัตสัจจานีิอตมาจะพูดบ่อยพูดมากพวกเรานี่จะสมณะอื่นๆที่ท่านไม่ถนัดปรมามิตท่านก็ไม่พูดปรมามัตมากท่านก็จะพูดถึงเรื่องนอกเรื่องกายกรรมวจีกรรมเรื่องสิ่งที่มันหยาบกระทบสัมผัสกันแล้วเกิดอกุศลอย่างนั้นอย่างนีน้เกิดพยาบาทที่แท้เกิดเกลียดเกิดชังเกิดโกรธเกิดไม่สมานไม่ประสานไม่อภัย อะไรต่างๆนันนานี่ยันก็จะว่าจะบอกพวกเราก็จะทำทั้งรูปนอกทำทั้งรูปในแล้วมันจะเกิดการประสานกันเกิดสัมผัสนอกสัมผัสในเกิดการงามทั้งกายกรรมวิจิกรรมและมนโนกรรมนะมันก็จะได้สภาพพวกนี้หมดนะสรุปแล้วก็รพระพุทธเจ้าท่านคาว่าอธิปไตยของท่านความเป็นใหญ่เนี่ย ทำให้เกิดกําลังโดยอัตตาธิปไตยก็คือสามารถที่ทําตนเองให้เป็นใหญ่นะทําตนเองให้รู้นะให้รู้แจ้งรู้จริงเลยว่าคนเราเนี่ยนะออกมาปฏิบัติเราออกบวชเป็นบรรพชิตนี่จัดกะภิกษุนะทีนี้แม่เราไม่จะ่ภิกษุก็ตามบวชหรือปวชชันแปล ว, ว่าเรามาออกจากโลก เรามาพยายามที่จะละจากโลกปวชะมาปฏิบัติเพื่อที่จะให้เป็นผู้หลุดพ้นเหมือนกันท่านยกตัวอย่างได้แค่ว่าเม่รามาบวชไม่ใช่ว่าเรามาหลงไหลในจีวรในบินธบาศในเสนาสนะเราก็ไม่ได้พาซื่อเพราะภาษาที่พูดเอาไว้และตรัสไว้มันเป็นสำนวนพาซื่ อ, อคาว่าเร า, เรามาไม่ได้จีวรจริงๆเราก็ไม่ได้มาต้องการจีวรเราจรงเป็นคคารวะมันมีจีวร อ, อะไร ไปพาซื่ออย่จีวรก็ไม่เขาเรื่องก็คือว่ามีปัจจัยต่างๆที่จะมาอาศัยน่แหละในรูปของเครื่องใช้เครื่องนุ่งหม่มบินทบาทก็มหมายหมาความว่าเดินออกไปบินทบาทบินทบาทก็คือสภาพของอาหารของเครื่องกินเครื่องใช้บินทบาทก็เครื่องกินเครื่องอาศัยในชีวิตน่แหละแม้กระทั่งสถานที่อยู่เสนาสนะเราไม่ได้มาเพื่อลหลงไหลสิ่งเหล่านี้เรามาเพื่อเหตุแห่ง ว่าเราเองนี่เป็นผู้มีชาติอันชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมานตุปายาสครอบงำแล้วเป็นผู้มีทุกครอบงำแล้วอันชาติอันการเกิดการชราการตายเกิดชราตายเกิดแก่ตายและก็มีโสกกะปริเทวะซึ่งเมื่อกี้ก็พูดผ่านไปบ้างแล้ว เรายังมีการเกิดการตายถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจเราก็จะไปเอาการเกิดการตายของร่างกายนี่ก็ได้การเกิดการตายของร่างกายนี่ก็ได้เราก็หมุนเวียนเกิดอยู่กับการตายของร่างกายนี่จริงแต่นั่นเราจะไปดับมันไม่ได้หรอกเราจะไปหยุดการเกิดการตายของร่างกายไม่ได้ถ้าเผื่อว่าตราบใดที่เราไม่หยุดการเกิดของกิเลสตัณหาอุปทานเพราะงั้นการเกิดการตายที่เป็นปรมัตก์ก็คือการเกิดการตายของกิเลสตัณหาอุปทานไม่มีการเกิดไม่มีชาติในกิเลส ปัญหาในตัวเหตุสาคัญเป็นสมุไทยทุกสมุดไทยนั้นนะเมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่แก่เมื่อมันไม่แก่มันก็ไม่มีตายเพราะมันอรณะแล้วมันไม่เกิดมันไม่มีอะไรที่จะมาตายอีกแล้วอรณะตายอย่างชนิดที่จิตวิญญาณไม่ไม่ตายอีกแล้วมันตายแล้วมันไม่มีตายแลวอรณะมันมีการขึ้นมามีการต่อสู้อะไรอีกจบไม่ต้องต่อสู้อะไรอีกรณะ รณะก็แปลว่าสงครามแปลว่าการต่อสู้ไม่มีแล้วออไม่ได้ต้องต่อสู้อะไรอัค ะ, ะไม่ต้องต่อสู้อะไรอีกเพราะแม้ว่าเราจะเป็นผู้ที่ยังมีจิตมรณะจะมีจิตที่มันไม่ต่อสู้แล้วแต่ว่ า, ายังมีจิตมรณะเนี่ยถาวายโดยพยัญชนะที่อาตมารูบาลีเป็นตัวตัวเป็นตัวพยัญชนะอาตมาก็เข้าใจนี่นะอาตมาวิเคราะห์วิจัยไว้แล้วลเขาก็ฟังก็ไม่ไหวก็อเถอะไม่เป็นไรแล้วก็ใช้พยัญชนะ อาตมาว่าอาตมารู enrolled, ้อ um ัดรู้พ sí ยัญชนะพวกนี้ตามที่อาตมารู้จิตมีจิตอยู่ยังไม่ได้ตายนะพระอรหันต์เจ้าที่ยังไม่ได้ตายเนี่ยไม่เกิดอีกไม่มีแกอีกแล้วก็มีจิตแต่ไม่มีกิเลสเกิดเพราะฉะนั้นก็ไม่มีกิเลสตายก็ไม่มีกิเลสแกไม่มีการต่อสู้อย่างโลกโลกอีกแล้วไม่มีสงครามอย่างโลกโลกอีกแล้วเราไม่ต่อสู้กับกิเลสเรานี่แหละไม่ใช่อะไรอื่นหรอก <Es pe c. S 2> ไม่ต้องต่อสู้กับการต้องมาทําสงครามต้องมารบกบกิเลสแล้วก็ต้องมาฆ่ากิเลสอีกเพราะว่ากิเลสตายแล้วไม่ต้องไปฆ่าไม่ได้แล้วหยุดสงครามแล้วสงบศึกแล้วมารณะนะมารณะนี่ก็ยังมีจิตสงบศึกแล้วอรณะก็คือไม่มีสงครามแล้วไม่มีการต่อสู้อีกแล้วอรณะ น, นี่แปลการไม่ตายหรือตาย ชนิดที่เรียกว่าเป็นการตายของกิเลสหมดแล้วก็เป็นสภาพอรณะอมตะอนี่ยอรณะหมายถึงปรมัตดอย่างนี้เนี่ยที่เราบอกว่าไม่มีชาติไม่มีชราไม่มีรณะนี่ถ้าเผอศึกษาไปก็ถึงขนาดปรามัตดก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ปรามัดเราจะเรียนไปต้นก็ได้เราจะต้องมีการเกิดมีการแก่มีการตายวนเวียนอยู่แค่นี้แหละเป็นผู้มีทุกข์ครอบกรมทุกทับถมตนเสร็จแล้วแล้วก็ไม่รู้ทาง ทางปฏิบัติให้ตนเองหมดความเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้การที่เราสแสวงหากรารมที่ละได้แล้วออกบวชเป็นบรรพชิตนั้นเป็นความเลวซามอย่างยิ่งไม่เป็นการควรแกเราเลยนี่เราก็ปฏิบัติไล่กันมาอยู่ในเรื่องการมตั้งแต่หยาบมาจนถึงการมละเอียดมาถึงตาหูจมูกหินกายใจหดจมูกหินกายแม้แต่ ใจเราก็เรียนรู้ภาวะตัณหาเข้าไปอีกนะเพราะเราจะต้องเพียรปฏิบัติให้ระ ง, งับไม่สงบระ ง, งับนะจะเป็นการเป็นพยาบาทเป็นวิหิงวิหิงสาอะไรที่ท่านตรัสไว้อีกในในต่อมานะก็พยายามเรียนรู้ทำสมาธิทำสภาพที่ตั้งมั่นทำสภาพที่จเจริญด้วยอธิกิจนะอธิ ก็อธิศีนนั่นแหละมาขัดกลางให้เกิดอธิจิตและอธิจิตนั้นก็เกิดอธิปัญญารู้แจ้งรอบที่อาตมาวัดสัพรมัตมีอะไรแต่ไรบ้างแล้วก็ทําได้จริงอย่างที่เคยอธิบายมามากมายถ้าเราทําตัวเรานี่นะเอาตัวเราเป็นใหญ่เอาตัวเรานี่เป็นหลักแล้วเราก็ทําตัวเรากายวาจาใจเป็นกุศลเป็นอกุศลอย่างไรก็รู้จริงๆเจริญจริงๆ สรุปแล้วพระเจ้าท่านตรัสอธิบายเนี่ยอัตตาทิปไตยเอาตนเองเป็นใหญ่ทำตนเองให้เป็นใหญ่ทำตนเองให้เป็นหลักพึ่งตนให้ได้นี่สรุปง่ายๆโลกาทิปไตยก็คือเอาผู้อื่นเอาสิ่งแวดล้อมอื่นเอาคนอือนอ่นนั่นเขาก็มีดีเขาก็เป็นที่พึ่งเราได้ เพราะฉะนั้นเราอยู่กับเพื่อนกับฝูงพวกนี้สิ่งแวดล้อมต่างๆนี่คือโลกทั้งหลายโลกสันนิวัตโลกที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในโลกอยู่ทั้งหมดทั้งหมดโลกสันนิวาตใหญ่โตมากมายเพราะฉะนั้นเราเองเราก็พึ่งพากันนะในฐานะสาว ก, กภูมินี่เราจะต้องพึ่งพากันเอาสิ่งแวดล้อมเอาอะไรอะไรต่าง ๆ, างๆนาน า, น า, นานพวกนี้แหละเป็นประโยชน์แก่เราเป็นครูนะจนกระทั่งเราสามารถที่จะ ให้สิ่งแวดล้อมแล้วให้ข้างนอกให้อันอื่นเนี่ยเป็นประโยชน์แก่เราได้อันนี้แหละเท่ากับเราสามารถที่จะมีสัมผัสเป็นปัจจัยได้โดยเฉพาะสัมผัสนอกตาหูจมูกดินกายข้างนอกนี่มีสัมผัสนอกเป็นประโยชน์อย่าไปให้ข้างนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องโง่ทำให้เราต้อง ไม่เกิดประโยชน์กับเราไม่เป็นอำนาจไม่เป็นฤทธิ์ที่ทําให้เราเจริญในโลกาธิปไตยหมายความว่า ง, งาั้นเพราะงั้นในโลกนี้เราอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่หนีโลกทําโลกนี้ให้เป็นประโยชน์อยู่กับโลกนี้อย่างเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้เราปรฏิบัติประพฤติลดละจางคลายและช่วยละเอียดละออยิ่งขึ้นด้วยช่วยให้เราละเอียดละออยิ่งขึ้นด้วยมีอํานาจมีอินทรีย์มีพระมีอธิปไตยเป็นยิ่ง มีอธิปไตยในสูตรมูลสูตรในมูลสูตรมีอะไรเป็นอธิปไตยนีสติเลยสติเป็นอธิปไตยปัญญาเป็นอุตระปัญญาเป็นอุตระเนาะสติเป็นอธิปไตยปัญญาเป็นอุตระปัญญาเป็นท่านแปลเป็นไทยว่าเป็นใหญ่เป็นยิ่งฟังแล้วไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่อธิปไตยเป็นใหญ่ ใช่เลยเป็นใหญ่เป็นยิ่งในมูลสูตรนะเพราะงั้นถ้าบอกว่าเราจะเอาอธิปไตยนี่ไปขยายความในมูลสูตรเราก็จะเห็นว่าท่านให้มีสติสติเป็นอธิปไตยสตินี่จะเป็ น, ปนอธิปไตยเป็นอำนาจเราจะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้แม้ข้างในมิรู้แม้ข้างนอกรู้แม่อื่นรู้แม่ตนและรู้แม่ความหมายคําว่าธรรมะ ความหมายคําว่าธรรมะเราจะทรงไว้ซึ่งสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดธรรมะจริงๆแล้วแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้ทรงไว้ซึ่งสภาพที่สูงที่สุดก็ทรงไว้ซึ่งสภาพเป็นพระอรหันนั่นแหละจิตวิญญาณก็มีจิตวิญญาณแต่จิตวิญญาณเป็นจิตสะอาดบริสุทธิ์จิตวิญญาณที่แข็งแรงจิตวิญญาณที่อยู่เหนือโลกจิตวิญญาณที่กิเลสเข้าไม่ได้แล้วถ้าสูงสุดก็จิตวิญญาณทรงไว้ซึ่งจิตวิญญาณที่สูงสุด กิเลสเข้าไม่ได้ไม่มีการหมุนเวียนสังสารวัฏไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอะไรที่เป็นทุกข์สุขอย่างโลกโลกเขาไม่มีแล้วเพรา ะ, ะนั้นธรรมะที่ทรงไวที่วัดทรงไว้นี่ก็คือส่วนสิ่งสำคัญเลยตัวสำคัญเลยโดยเรารู้ตัวเราแล้วเราก็รู้ผู้อื่นโลกาที่ประยก็รู้เอาอ่อนอื่นมีประโยชน์ต่อเราหมดไม่ใช่วิ่งหนีมีประโยชน์ต่อเรา ไม่ใช่เราวิ่งนี้สิ่งเหล่านั้นเราเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์ได้ทีนี้ความหมายของความหมายโลกโลกอัตตาทิปไตยโรกาทิปไตหรือธรรมาทิปไตเนี่ยเขาก็แปลว่าความหมายของโลกนะอธิบายเข้าใจกันง่ายๆายอัตตาทิปไตยก็คือตัวเราเองนี่แหละเอาตัวเองเป็นใหญ่นะเท่าแ่ไปเบงไปข่มคนอื่นนะ ไปแสดงอำนาจบาดใหญ่อัตตาทิปไัยแปลเป็นพายเป็นพิษไปเป็นผู้ที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตนมีอัตตาอัตตาทิปไัยมีอัตตาหลงตัวหลงตนทมตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตอัตตาธิปไตยโลกาธิปไัยก็หลงโลกหลงโลก เพราะฉะนั้นลักษณะของอัตตาทิปไตยของเขาไม่มีประโยชน์โลกาทิปไตยก็ไม่มีประโยชน์ต้องธรรมาธิปไตยต้องเอาธรรมะเป็นใหญ่ต้องอะไรธรรมะเป็นใหญ่โลกาทิปไตยไม่ดีไปหลงให้โลกเป็นใหญ่ก็ไม่ดีหลงตัวเองเป็นใหญ่ก็ไม่ดีเขาแปลโดยความหมายนะไม่ได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านอธิบายนี่หรอกเข้าใจกันอย่างนั้นส่วนใหญ่ใช่ อัตตาที่ปฏิปไตยโรกาที่ปฏิปไต่ต้องธรรมะที่ปิปไต่ถึงจะดีอย่างเดียวอัตตาธปิปไตยไม่ดีรักโลกาที่ปิปไตยไม่ดีรักต้องธรรมะทิปไตยต้องให้ธรรมะเป็นใหญ่อย <board. S 1> ่าไปเอาตัวเองเป็นใหญ่อย่าไปเอาโลกเป็นใหญ่ไปถือว่าโลกนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นใหญ่ให้มีอํานาจให้โลกนั้มีอํานาจแล้วเราก็เป็นทาสโลกอยู่ไม่ดีก็ถูกในมุมกลับ ให้ถูกในมุมกลับนะจะเอ า, เอาความหมายหยาบๆอย่างนงั้นเน่ยที่จริงความหมายอย่างง่ายๆ่ายแต่ของพระเจ้านี่หมายถึงเราอยู่เนื้อเลยอธิบายอย่างโล ก, กุตระอัตตาทิปไตยก็เอาตัวเรานี่แหละสร้างตัวเรานี่แหละให้มันดีให้มันเป็นใหญ่ให้มันพึ่งได้ให้มันมีอํานาจในตนมีตนเป็นอํานาจที่จะเกิดการบรรลุธรรมไม่ใช่เสียหายนะ โลกาธิปไตยก็เหมือนกันรู้จักโลกรู้เท่าทันโลกเขาใจโลกให้ได้ให้โลกนี่แหละช่วยเราจนเป็นอำนาจที่จะเราจะพึ่งอย่าไปดูถูกดูแคล น, นโลกของเขาเป็นอยู่แล้วโลกสันนิวัตโลกของเขามันเป็นอยู่ของเขาอยู่แล้วแต่เรานี่แหละรู้เท่าทันแล้วเราก็รู้จักเอาสิ่งที่ดีจากโลกสิ่งที่ดีมีอยู่คนที่ดีมีอยู่ คนที่ยิ่งเป็นโลกุตระคนที่เป็นอาจารย์คนที่เป็นผู้ที่มีธรรมะนะที่ท่านบอกว่าสมณพราหมณ์ที่มีฤทธิ์มีทิฏประจักษ์สุรู้จิตของคนอื่นได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แม้แต่ไกลแม่ใกลไๆเราก็มองท่านไม่เห็นแต่ เ, เราเนาะมองท่านไม่เห็นแต่ท่านเห็นเราอะไรงนี้เป็นต้นนะและย่อมรู้ชัดสั่งจิตด้วยจิตสมณพราหมณ์แม่เหล่านั้นก็พึงรู้เราอะไรพวกนี้ จำนวนโหะเหล่านี้เนี่ยถ้าเผืว่าไม่เข้าใจเป็นธรรมะแล้วมันยากเพราะว่าอธิบายเป็นแบบหยาบๆอธิบายเป็นตัวตนบุคคลเราเขามองเห็นเรามองไม่เห็นเราเช่นท่านอธิบายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยลงจากดาวดึงมาแล้วก็พอดงจากดาวดึงแล้วเนี่ยอย่างที่อธิบายในวันตักบัทเทโวอะไรอย่างนี้นะลงจากดาวดึงมาแล้วก็เปิดโลก มองเห็นว่ามองเห็นสัตว์นรกมองเห็นสัตว์สวรรค์มองเห็นสั ต, รรสตสว์อะไรบอโ อ, เอ้เธอก็อยู่ที่นี่เนาะอยู่ด้วยกันนี่แหละอธิบายตน ต, ตัวตนบุคคลนะ เ, เปิดโลกมาก็เห็นมันก็อยู่ด้วยกันนี่แลหรรละเธอก็อยู่ด้วยกันนี่อเธอก็ทักทายกันสัตว์นรกก็ทักทายสัตว์สวรรค์สัตว์สวรรค์ก็ทักทายสัตว์นรกอยู่ด้วยกัน ถ้าเราไม่เข้าใจนะเราก็จะมองเป็นสภาพของตัวตนบุคคลเราเขาถ้าเราเข้าใจประมาณแล้วก็คือจิตของเรานี่แหละมันเป็นสัตวน์นรกมันก็อยู่ด้วยกันนี่แหละมันไม่ได้ไปไหนเราจะเปิดโลกหมายความว่าจิตสว่างมีปัญญายานที่เห็นแล้วว่าไอสัตวน์นรกสัตว์สวรรค์หรือว่าแม้แต่มนุษย์แม้แต่ระดับต่ําระดับสูงระดับกลางอะไรมันก็อยู่ด้วยกันนี่แหละมันไม่ได้มีอะไรไปไหนหรอกเป็นแต่เพียงว่ายานปัญญาไม่มีมันก็เลยมืดมันก็ขั้น ถ้าเปิดยานปัญญาไม่จะเปิดยานปัญญาเปิดความมืดหรือว่าทาลายความมืดออกมีแสงสว่างมันก็เห็นได้เกิดปัญญายานมีแสงสว่างก็คือเกิดปัญญายานมันก็เห็นทันทีมันไม่อยู่ที่ไหนหรอกมันไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละมันอยู่ที่ใจเราสว่างก็คือใจเรามียานใจเรามีปัญญาเห็นสัตว์นรกอยู่ตรงนี้เห็นสัตว์สวรรค์อยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นอที่บอกว่าสัตว์อื่นนรกอื่นคนอื่นจิตอื่นอะไรจิตของคนอื่นอะไรน่ยคือจิตที่เป็นปรสัตตาหนังสัตว์ชนิดอื่นชนิดใดชนิดเป็นสัตว์นรกชนิดเป็นสัตว์สวรรค์ที่ต่างจากเราจะอยู่ในสภาพไหนล่ะเราอยู่ในสภาพสัตว์สวรรค์เราก็รู้สัตว์อื่นที่ต่างจากสัตว์สวรรค์ก็คือสัตว์นรกหรือสัตว์ที่เป็นกลางสัตว์ที่มันหยาบกลางละเอียดขนาดไหนก็เห็นความแตกต่างของสัตว์สตตาร์อปปาติกา สับทางจิตวิญญาณพวกนี้ได้ชัดด้วยญาณปัญญาที่อ่านออกรู้ออกว่าเหมือนมันต่างกันยังไงอะไรมันเจริญอะไรมันไม่เจริญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นสัตว์ชนิดสัตว์ทุกขติอะไรเป็นสัตว์สุขติรู้จักสัตว์ที่ดำเนินไปอยู่ดำเนินไปดีกับดำเนินไปซามดำเนินไปต่าดำเนินไปชั่วญาณปัญญาเราจะเป็นตัวอ่านออกรู้แจ้งเห็นจริงเลย นะไ้เราก็มีวิธีที่จะทำให้มันเปลี่ยนแปลงหรือทำให้มันตายทำให้มันเกิดเป็นสุขโตทำให้มันดำเนินไปดีทำให้มันเจริญทำให้มันบริสุทธิ์สะอาดขึ้นนะนี่ท่านบอกไว้ในท่านคถาในท่านว่าเพราะฉะนั้นแหละคนที่มีตนเป็นใหญ่ควรมีสติเที่ยวไปเที่ยวไปหรืออาวจรหรือดำเนินไป คนที่มีโลกเป็นใหญ่ควรมีปัญญาและแพ่งพินิษฐ์และคนที่มีธรรมเป็นใหญ่ควรเป็นผู้ประพฤติโดยสมควรแก่ธรรมเนีเพราะคนที่มีธรรมะเป็นใหญ่ก็คือทรงไว้ซึ่งสภาพที่รู้รอบรู้ตัวรู้ตนและรู้สิ่งแวดล้อมรู้โลกรู้อะไรแต่ไรด้วยและก็รู้ว่าตัวเราปฏิบัติธรรมอย่างไรเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมุนีผู้มีความบากบันอย่างจริงจังย่อมจะไม่เลวลง พอเห็นป้ปฏิรู้ชัดแจ้งรู้ฐานะตนรู้ธรรมะอะไรายละเอียดอ่อนอย่างนี้แล้วย่อมจะไม่เลวลงมีแต่ประพฤติธปฏิบัติไปแต่ละวันแต่ละวินาทีแต่ละนาทีของตนของตนบุคคลใดมีความเพียรขมขีมานครอบงํามัจจุครอบงํามัจมจุมัจจุก็คือเจ้าเจ้าแห่งความตายคือหมุนเวียนหมุนเวียนอยู่จะเป็นจะจะต้องมาเอาอํานาจความเปลี่ยนแปลงความตาย เพราะถ้าใครไม่มีความเกิดเพราะฉะนั้นมัจจุก็ไม่มาเรียกว่าครอบงามมัจจุใครไม่มีความเกิดมัจจุก็ไม่มีมัจจุราชหรือราชาแห่งความตายมัจจุก็คือความตายผู้ใดไม่มีความเกิดมัจจุก็ไม่มามัจจุกก็ไม่มีฟังไหวไหม ไม่เกิดแล้วมันก็ไม่มีมาไม่มีตายเพราะฉะนั้นครอบงำมัจจุได้แล้วก็คืออย่ามาพูดถึงเลยมัจจุน่มันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาที่เราอีกแล้วเพรา ะ, ะเราเองเราไม่ทำให้กิเลสเกิดมัจจุก็ไม่มีกิเลสไม่เกิดแล้วไอ้วความตายมันก็ไม่มาถึงเราเรียว่าเราอยู่เหนือความตายครอบงำความตายแล้วความตายหมดสิทธิ์เพราะนั้นถอครอบงำความตายหมายความว่า อยู่เหนือมันชัดเจนเหยียบไว้ก็ได้ครอบงำแล้วความตายเลิกภาษาพวกนี้ถ้าเพระบามันมรู้สภาวะแล้วมันก็อธิบายไม่ถูกถ้าพราะวรู้แล้วแล้วยิ่งรู้สภาวะแล้วก็ยิ่งดนะีขมขีมานก็คือตัวผีร้ายที่แรงอะไรต่ใดก็เราข่มขีได้เราอยู่เหนือมันครอบงำ ม, มัจุผู้ทาที่สุดเสียได้แล้วมันก็จบอยู่ตรงนี้ทำที่สุดอยู่ตรงไม่มีตายไม่มีเกิด กิเลสนั่นเองไม่มีตายไม่เกิดแต่ตัวเราเนี่ยร่างกายชีวิตนี่ที่เรามีธาบรู้อยู่นี่ยังไม่จบยังเอ้ยยังไม่มีจิตวิญญาณยังมีนี่เป็นญาณด้วยจิตวิญญาณเป็นญาณด้วยนี่เป็นญาณที่เราสามารถอย่างรู้เนี่ยอย่านึกว่าเราไม่มีนะเรากําลังมีอยู่เรากำังไม่ตายด้วยร่างกายแต่กิเลสนั้นมันตายแล้วมันเห็นลนะ้เป็นผู้รู้แจ้งรู้แจ้งโลกสิ้นชาติแล้วเห็นชาติสิ้นตั้งแต่ปัจจุบันนี้ทีเดียว บุคคลฉะนั้นย่อมเป็นผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีเป็นมุนีเนี่ยเป็นมุนีอย่างนี้แหละมุนีก็คือผู้ปฏิบัติประพฤติบําเพ็ญทางจิตวิญญาณมีปัญญาดีนะเป็นผู้หมดความทะเยอทะยานอยากในธรรมทั้งปวงเมื่อมันจบแล้วมันก็ไม่ต้องทะยานอยากอะไรอีกแล้วทะยานอยากมาได้อะไรที่วิเศษที่สุดเพื่อเรา เพื่อตัวเราเพื่ออัตต า, าเป็นของเราอัตตานิยาไม่ต้องเป็นเราเป็นของเราอีกแต่อยู่ในโลกนี้อาศัยอยู่ได้ที่เราพิสูจน์กันเชาวโสเราก็พิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้ากันมาตามที่เราได้อธิบายกันมามากมายาพยายามที่จะใช้ทั้งประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดระบบ ให้มันเกิดกายกรรมวจีกรร ม, มโนกรรมเกิดพฤติกรรมและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลถ้าสอดคล้องเป็นทิฏฐิสามัญญตาเป็นศีลสามัญญตามีหลักเกณฑ์ก่อนพอเราทําำตามหลักเกณฑ์นี้เราก็จะเกิดประพฤติปฏิบัติมีความเห็นนอกจากเกิดความเห็นแล้วก็จะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลกิเลสไม่เกิดแล้วไอ้ความตายมันก็ไม่มาถึงเราเดี๋ยวเรา อยู่เนื้อความตายครอบงำความตายแล้วความตายหมดสิทธิ์งั้นเธอครอบงำความตายหมายความว่าอยู่เนื้อมันชัดเจนเหยียบไว้ก็ได้ครอบงำแล้วความตายเลิกภาษาพวกนี้ถ้าเพราอว่ามันไปรู้สภาวะแล้วมันก็อธิบายไม่ถูกถ้าเพราะว่ารู้แล้วแล้วยิ่งรู้สภาวะแล้วก็ยิ่งดีข่มขีมานก็คือตัวผีร้ายทิศแรงอะไรต่อใดก็เราข่มขีได้เราอยู่เหนือมัน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 มันเห็นล้เป็นผู้รู้แจ้งรู้แจ้งโลกสิ้นชาติและเห็นชาติสิ้นตั้งแต่ปัจจุบันนี้ทีเดียวบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีเป็นมุนีเนี่ยเป็นมุนีอย่างนี้แหละมุนีก็คือผู้ปฏิบัติประพฤติบําเพ็ญทางจิตวิญญาณมีปัญญาดีนะเป็นผู้หมด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 ประพฤติปฏิบตัติมีความเห็นนอกจากเกิดความเห็นแล้วก็จะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลมีธรรมวิจัยสัมโพธชงมีทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมีองค์แห่งมรรคครบองค์แห่งมรรคมีทิฏฐิเป็นตัวต้นมีความเห็นแล้วก็มาปฏิบตัติประพฤติจนตั้งสังกัปปะก่อสัมมาวาจาก็สัมมาสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียวก็เกิดพฤติกรรมเกิดระบบเกิดเป็น วงจักรของชุมช น, นากายกรรมกับสมมาวาจีกรรมกับพูดสอดคล้องกันคล้ายกันไปแนวเดียวกันจริงๆนะมันพูดไ ม, ไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่ามันมีเนื้อหาสาระมันมีทิศทางมันสอเลยนะอย่างพวกเราเนี่ยใครๆเข้ามาในอโศกเนี่ยไอ้พวกนี้มันพูดไปแต่ไงยิ่งโล ก, กียาคนโลกๆเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมาฟังพวกนี้มันพูด มันจะพูด เ, เดียวไปข้างนิพานมันจะพูด เ, เดียวๆไปในข้างละนายใครเป็นพูดในพานมากน้อยสันโดษอ่าบางคนนี่แข็งโปกๆปกเลยนะพูดนี่หมอยชึก ๆ, ๆ, ๆ, ๆเลยบางคนอนุโลมเห็นใจเขาก็พูดหน่อเออก็เอาไม่ไม่ไมห้มันบาดเสียใจเขานักอะไรแต่ก็ยังมีลักษณะลีลาว่าก็ขัดเกลารอยู่นั่นแหละท่าทีมันจะไปทิศทางเดียวกันสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียวกันไปหยาบกลางละเอียดมีคนฉลาดพูดฉลาดแสดงกายกรรมวจีกรร ม, มโนกรรมสังกรปรวาจากรรมมันตะ แม้แต่การงานนี่ก็จะซอชัดเลยนะการงานการกระทาหรือว่าอาชีพที่เราทําเราเป็นเรามีอยู่นี่มาคนก็จะรู้สึกว่าพวกนี้นี่มันเป็นอย่างงี้พวกอสศกเพราะฉะนั้นสั ญ, ญลักษณ์รูปแบบที่เกิดนี่มันเกิดจากศีลสามัญตาทิฏฐิสามั ญ, ญาต า, ส, า, ญญ า, ตาสอดคล้องกันแล้วมันจะเป็นสภาพพวกนี้ขึ้นมาจริงๆคนอื่นๆเขาจะที่มียามีปัญญาคบได้ ถึงอย่างไรเนี่ยนะคนโลกเขาก็ไม่รังเกียจเราหรอกเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรร ม, ม, า ม, มลาภธรรมิกาเฉลี่ยลาบเราเนี่แหละเฉลี่ยลาบลาภธรรมิกาเนี่ยเป็นภาษาที่อาตมามว่าเป็นตัวภาษาหลักของเศรษฐศาสตร์เลยนะลาภธรรมิกานี่คือเป็นผู้ทีเฉลี่ยลาบเป็นผู้ที่กระจายรายได้ว่า ง, งั้นเถอะ เป็นผู้ที่ไม่เอาเปรียบเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเกินอะไรก็ไม่โลภโมโทสันไม่สะสมเกาะกอยเป็นของตนมีพออาศัยมีพอเหลือก็เฉลี่ยออกไปไม่ขูดไม่รีดไม่เอาเปรียบเอารัดอย่างแท้จริงเลยเฉลี่ยรล่าแล้วก็มีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญตมมญตามีความเห็นที่เสมอสมานกั น, นมีศีลที่เสมอสมานกันได้เสมอสมานนี่ไม่ได้หมายความว่าศีลเท่ากันไปหมด มีสีอันเสมอกันเสมอสมานที่ว่าสีสามัญญตานี่แม้แต่เป็นในในสมณะก็ตามในคารวะก็ตามมันมีคนละขั้นแต่สมานโสดาสมานโสมตาหรือว่าสมานโสดาเสมอโสดาสกิตาเสมอสมานสกิทาเป็นสมานัตตาหรือสามัญตาสีสามัญญตานี่มันเสมอสมานกันอย่างนั้นจริงๆไล่เรียงกันไปโดยที่รู้เรารู้เขารู้ผู้สูงรู้ผู้ตำ่ำ และก็พยายามที่จะขึ้นให้ไปเสมอสมานกันได้เสมอสมานแล้วก็ไม่มีริษยาไม่มีการข่มขีดูถูกดูแคลนอะไรกันมันยังดูถูกดูแคลนกันอยู่มันก็คือผีมันก็คือตัวที่ไม่ประสานมันไม่สมานมันยังไม่ดีเราก็เรียนรู้จริงๆจะเกิดสภาพไปมันไม่หมดทีเดียวหรอกกิเลสผีมารพวกนี้ยังผสมประสานแทรกตัวอยู่เสมอแหละแต่เราก็ทําได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าตั้งใจศึกษาหรือตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาคเพียรขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีทางจะเสียหายหรอกหลักเกณฑ์ก็ทบทวนกันอยู่เตือนก็นแล้วเตือนกันอีกปริยัติก็อธิบายกันไปตั้งใจฟังฟังได้บั่งฟังไม่ได้บั่งตกลนบ้างเก็บได้เ<ม>ก็บได้บั่งเก็บได้น้อยเก็บได้มากบางวันเก็บได้ดีบางวันเก็บได้น้อยนะบางวันเก็บไม่ได้เลยผีเข้าทั้งวันอะไรก็ตามใจเถอะก็ทําไปเถอะนะแต่ละวันแต่ละวันขยัน สืบทอดกันขยันมีปริยัดปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปผีเข้าก็ลืมตัวผีไม่เข้าก็รู้ตัวมีความเป็นไปได้เท่าที่มันแข็งแรงถ้า แ, แข็งแรงกับผีเข้าได้ยากผีเข้าได้น้อยวันๆหนึนน่งผีเข้าน้อยทรงสภาพเป็นพระเข้าทรงพระเข้าทรงพระได้เรื่อยๆเสมอๆรู้สึกตัวมีสติเป็นใหญ่มีอธิปไตยทางสติ ก็พยายามปฏิบัติเรียนรู้ไปจริงๆเกิดความเจริญมีปัญญาเป็นอุตระปัญญาเป็นอุตระก็คืออุตระปัญญาหรือโลกุตระปัญญาเป็นปัญญาที่เหนือโลกขึ้นไปเรื่อยๆมีสภาพที่มีอุตรจิตอนุตรจิตขึ้นเรื่อยๆจิตเหนือก็ยังเคยอธิบายพูดมากแล้วพูด เราอยู่กัมันเนื้อเหนือมันมันไม่ทาอะไรเราได้หรอกมันทําให้กิเลสเราเกิดไม่ได้ถึงจะเกิดได้เราก็สามารถที่จะทําให้มันรีให้มันเบาลงเบาลงเรารู้ทิศทางนะทิศทางของอาการอาณาการออกชัดว่าอาการก็มันเป็นอาการที่มันมันเจริญก็คือกิเลสมันลดแรงลดริดลงไปเราเป็นแรงเป็นริดเราเป็นอํานาจเราเป็นใหญ่ขึ้นมาเรื่อยมีอินทรีย์มีพระเจริญขึ้นเจริญขึ้นเรื่อยๆจริง สภาพที่อาตมากล่าวถึงนี่อานอาการเหล่านั้นออกจริงๆ ร, รู้ตัวทั่วพร้อมไม่ได้เรื่อยเสมออยู่อะไรแต่เกิดสภาพพกปฏิบัติธรรมไปด้วยทํางานไปด้วยสังกปะวาจากรมมันตะอาชีพปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อธิบัติจากอื่นหรอกมีสมมาวายามะมีสมาสติมีความพยายามไม่ได้เสมอพยายามให้มันเข้าทางพยายามให้รู้ว่าเราได้ปฏิบัติธรรมมีอาการยังไงปฏิบัติธรรมอยู่กัโลกสัมผัส ตามหูจมูกลิ้นกายใจต่ออะไรแต่ไรแล้วเราก็อ่านปั๊บเข้าไปทันจิตอ่านจิตอ่านใจทันเออจิตใจเราเกิดแล้วสัมผัสแล้วเกิดอาการโลคโกรธหลงหรือว่าเกิดการมวิตกเกิดพยาบาทพิตกยิ่งเข้าใจในวิหิงสาวิตกเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านที่ลึกละเอียดขึ้นไปอีกเท่าไร่เท่าไรก็ยิ่งพยายามเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นวาจาวาจาอย่างนี้มันไม่ดีนะ่าเป็นอยู่ทั้งนอกเนี่ย มีการโกหกมีการส่อเสียดมีการหยาบคายหรือว่ามันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรก็ระวังวาจาของเราตั้งแต่ละเอียดละออไปจนกระทั่งถึงว่าอย่างนี้เนี่ยมันกระทบกระเทียบกันหนะ้ามันเกิดการทะเลาะเบาะแวงวิวาทอย่างนี้เรียกว่าส่อเสียดไม่เอาหรอกอาการอย่างนี้วาจากยายนี้ละเอียดละออก็ระมัดระวังจริงๆเราพูดอย่างนั้นเอาไปพูดอย่างนี้เอาคําข้างนั้นควยความข้างนี้ไปพูดไปสอ่อไปเสียดใส่ใครใส่ความอะไรประมาณจริงๆ อันนี้ไม่ควรเอาไปพูดเอาไปบอกกันก็อย่าเพิ่งเอาไปพูดไปบอกกันเลยอันนี้ควรเอาไปพูดไปบอกก็ค่อยเอาไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้หยาบพูดอย่างนี้หยาบแล้วกาล่าอย่างนี้ไม่เหมาะอาการอย่างนี้ไม่เหมาะสังคมอย่างนี้เราพูดอย่างนี้ไม่เหมาะหรือว่ากับบุคคลอย่างนี้เราพูดอย่างนี้ถือว่าหยาบถ้าพูดอย่างนี้ถือว่าใช้ได้รู้จักบุคคลนะก็ฝึกไปทั้งวาจาฝึกไปทั้งกายกรรมฝึกไปทั้งการกระทําทุกอย่างทั้งการงานทุกอย่าง เป็นอาชีพเป็นการงานแล้วก็ฝึกมีความพยายามมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอบรมตนเสมอเสมอเสมอสั่งสมลงเป็นสมาสมาธิลงเป็นความตั้งมั่นของอธิศีนอธิจิตอธิปัญญามีวิมุตตามมาสุดท้ายมีวิมุตติญาณทัศน์นั่นแหละรู้แจ้งในวิมุติจริงๆว่ามีมุติวิมุติเป็นอย่างนี้มีเจโตปริยาน16มีเจโตปริยาณ16ชาติเข้าใจ เป็นอนุตรจิตอย่างนี้อนุตรจิตที่เป็นสมาหิตจิตเป็นวิมุตตจิตแน่นอนไม่มีอวิมุตไม่มีอสมาหิตะเป็นจิตที่แข็งแรงตั้งมัน่นมีประโยชน์มีคุณค่าอยู่อย่างจริงจังเลยว่าเราเองเราก็ทำได้ทั้งอาชีพทำได้ทั้งการงานจะพูดกับพูดได้กล้ากล้าอาถาร์แสดงทรรมกับบริษัทมีการนึกคิดอย่างแคล้วคล่ อ, อ, องมีสังกปะที่เกง่ง ตั ก, กะได้วิตั ก, กะได้สังกปะได้อย่างสังขารได้เป็นวัจีสังขารได้จิตเราอปปนาพย ป, ปนาเจตโซอภิเนโรปนาจิตของเรานี่แนวแน่แน่นแนบแน่แ น, น, น, นปักมัน่นแข็งแรงไม่วันไหวเพราะงั้จะปรุงเท่าไหร่ก็เหมือนกับโปรตอนอิเล็กตรอนเนี่ยโปรตอนก็แข็งแรงมากเลยอิเล็กตรอนจะวิ่งขนาดไหนปรุงขนาดไหนก็แน่น นั่นนั่นนะมันประสมอยู่ด้วยกันสังกปะจะคิดจะนึกจะตักกะวิตักาะสังกปะสังขารเป็นวจีสังขารสุดท้ายออกมาเป็นวจีสังขารวจีบอกแล้วว่าเป็นเรื่องราวก็ได้เป็นคําพูดก็ได้วจีแปลว่าคําพูดหรือแปลว่าเรื่องราวเรื่องราวเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้เป็นคําพูดก็ได้ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวสังขารออกมาเป็นคําพูดสังขารออกมาเป็นแบบเป็นอย่างเป็นอะไรอะไรได้หมด นี่พวกเราก็มีรูปมีแบบมีอะไรต่ อ, อะไรผสมประ ส, สานกันขึ้ น, อ, อ, น, น อ, อ้าวก็เพิ่งเคยได้ยินอัตมาเทศว่า ง, งั้นแต่ก่อนไม่เคยได้ยินเลยมาได้ยินแล้วก็เอาคนที่ฟังธรรมเข้าใจนี่ฟังธรรมทราบซึ้งนี่นะมันมันมั น, มนฟังอันเดียวกันน่ะแหละภาษาเดียวกันนะฟังแต่คนนึงก็ฟังโอ้โหมันลึกซึ้ ง, ม, งมันทราบซึ้งมันธรรมฟังแล้วก็ใหมฟังฟังธรรมเบิกบานในธรรมบางคนก็ฟัง ฟังคำเดียวกันอธิบายพร้อมกันนี่ฟังได้ยินพร้อมๆกันนี่แหละไม่ได้ไปหลายคนละทีที่ไหนฟังไปก็ตื่อไปตื่อไปฟังหูก็ดีนะหูก็ได้ยินนะไม่ใช่ไม่ได้ยินนะได้ยินพอกันเลยน่ะได้ยินเหมือนกันไม่ตกไม่หลนนักแต่ฟังแล้วมันไม่เบิกบานในธรรมันไม่ทราบซึ่งมันไม่เข้าใจมันไม่รู้มันไม่แจ้งมันไม่อะไรมันก็เป็นธรรมดาของคนฐานของใครฐานของมันฐานนาของใครฐานนาของมัน ต่อให้ใส่ใจเหมือนกันตั้งใจฟังเหมือนกันแต่รับได้ไม่เท่ากันเข้าใจไม่เท่ากันรู้ลึกรู้ซึ้งรู้ละเอียดละออไม่เท่ากันนะคนที่รู้ละเอียดละออได้ก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวินิจฉัยดีมีปัญญาดีมีความละเอียดละออดีแต่แม้วินิจฉัยดีปัญญาดีแต่ไม่มีกำลังในทางศรัทธาไม่มีกาลังในทางความเพีย ไม่ศรัทธาไม่มีเพียรไม่ปฏิบัติไม่ประพฤติเข้าใจตัวเองยังไม่ได้ก็วางปล่อยแต่คนที่เข้าใจดีและก็เอาไปปฏิบัติมีเพียรดีมีความเพียรดีมีความเอาใจใส่ดีมีศรัทธาดีก็เอาไปทำตามเป็นสัพทินซีทำตามประพฤติปฏิบัติก็เกิดผลนะเกิดผลซ้อนศรัทธาปัญญาศรัทธาปัญญาหรืออินซีห้พละหเกิดอินซีย์5เกิดพละหได้จริง เกิดได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วเ อ, เอาสูตรนั้นมายืนยัในให้ฟังแล้วเนี่ยปฏิปันนสูตรที่ท่านบอกว่าเพราะอินทรีย์5นะเพราะอินทรีย้าอินทรีย้าประการนี้ไม่มีแก่ผู้ใดเสียเลยโดยประการทั้งปวงเราเรียกว่าเป็นคนภายนอกตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชนนะอินทรีย้านะอินทรีย้าประการนี้ไม่มีแก่ผู้ใดเสียเลยโดยประการทั้งปวงนะ เราเรียกว่าผูนั้นเป็นคนภายนอกตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชนเพราะฉะนั้นอินรีห้าที่เป็นอินรีห้าเป็นตามลําดับอินรีห้าประการที่มันจะถ้าเต็มบริบูรณ์ก็เป็นอรหันตผลถ้าเป็นอินรีย้ายังอ่อนกว่าอินทรีย์พระอรหันต์ก็เรียกอนาคามีอินทรีห้าที่ยังอ่อนกว่าอินรีห้าของอพระอนาคามีก็เป็นสกิทาคามีอินรีห่ายังอ่อนกว่าอินรีห้าของ ส ก, กิทาคามีก็เป็นของปะโซดาบันอะไรไปเรื่อยๆตามลําดับซึ่งก็พอเข้าใจโดยปริยายแล้วนี่เป็นต้นเพราะงั้นคนที่จะเป็นผู้ที่มีอินทรีย์พระหรือเป็นผู้ที่เป็นปุตุชนหรือเป็นอริยบุคคลนั้นพระพุทธเจ้า ก, ก็เอาอินทรีย์นี่เป็นเครื่องวัดปฏิบัติธรรมก็โพธิปกักคียธรรมก็อินทรีย์5พระ5นั่นแหละทบทวนอีกนิดนึงก่อนจะจบว่าโพธิปกักคียธรรมมีอะไรบ้าง รู้โดยบัญญัติภาษาทฤษฎีแล้วก็รู้โดยว่าเราได้ทำอย่างนั้นหรือไม่สติปัฏฐาน4สูตรนะสี่าเจ็ดนี่เลขนี่ไม่ใช่เลขหวยนะ4 5 7 8้าเนี่เป็นโพธิปักที่ทำสูตร4 5 7 8นี่เทศเทศสูตรนี้อาตามาก็เคยสูตรไปแล้ว สก็คือหมวดที่มันมีสี่อยู่สหมวดโพธิปักยธรรมมีสมัปมีสติปัฏฐานสี่สมปทานสอิทธิบาทสี่นี่สอันนี้แหละเป็นตัวปฏิบัติสีสตัวนี่เป็นตัวปฏิบัติเพื่อให้เกิดอินสี่ห้พละหนี่อีก2ข้อเป็น5้าข้อเลยนะสข้อเป็นตัวปฏิบัติสองข้อนี่เป็นตัวสั่งสมลง ปฏิบัติโดยทฤษฎีของพระุทธเจ้าคือโพชงเจกับมรคแปดสีห้าเจนะโพชงเกับมรคแปดนี่โพธิปักยีทำนะเพราะฉะเราใช้ทฤษฎีโพธิปักยีใช้ใช้ใช้ทฤษฎีโพชงเจใช้ใช้ทฤษฎีมรค8ซึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดมรค8จึงเกิดพระพุทธเจ้าเกิดโพชงจึงเกิดถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดโพชงไม่เกิดมรค8ไม่เกิด เราเรียนรู้พอดชงหรือมรแปนี่เป็นตัวทฤษฎีหลักใหญ่ยิ่งที่สุดในโลกพระเจ้าเกิดเท่านั้นพอดชงจึงเกิดพอดชงเจ็ดพระเจ้าเกิดเท่านั้นมรแปนจึงเกิดลัฐที่อื่นว่างเปล่าจากมรแปนลัฐที่อื่นไม่เข้าใจโพอดชงง่ายๆหรอกเสร็จแล้วก็สร้างอินทรีห้าพละห้านีนะ่เป็นตัวที่เกิดผลเป็นตัวที่เกิดอยู่ 3. อันแรก4ีสอันแรกเนี่ยสติปทาน4 ส, สมปทาน4อิทิบาท4อิทิบาทก็คือจะต้องเกิดชันทะยินดีในการปฏิบัติทมยินดีในการปฏิบัติกรรมการงานอะไรก็แล้วแต่ยินดีต้องยินดีนะไม่ยินดีมันไม่เจริญหรอกทั้งโลกก็ตามยินดีในการที่อยากจะได้เงินได้ทองต้องยินดีมันถึงจะมีอินทรีย์พระความขยนันมันถึงจะมีวิริยะมีจิตตมีวิมังสา ทีนี้ถ้าทิศทางที่มาทางธรรมแล้วเรายินดีที่เราจะปฏิบัติธรรมยินดีที่เราจะภาคเพียยินดีที่เราจะเอาอย่างเงี้ยเราอย่างงี้มันจะได้ผลอย่างเงี้ยเรายินดีเพราะเราจะมาขยันในที่นี้เราจะมาสร้างสรรค์เราจะมีสังกัปปวาจากรรมันตะเข้าไปเกี่ยวข้องคลุกครีเข้าไปปฏิบัติกรรมกิริยาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไหนเราก็ยินดีมีฉันทะพราะอธิบายดึงเป็นตัวที่จะเป็นริษณ์แรง ตัวอิทิบาทเนี่ยเป็นตัวริดแรงถ้าไม่มีอิทิบาทแล้วนะอะไรก็ไม่เกิดต่อให้คุณมีสมาธ İ ิิฐต่อให้คุณมีสติปัฏฐานรู้จักสติปัฏฐานกายในกายกายนอกกายกายเวทนาในเวทนาเวทนานอกเวทนาจิตในจิตอะไรทําในทำอะไรคุณจะเข้าใจยังไงยังไงก็ตามถ้าคุณไม่มีอิทิบาทไม่มีวิริยะ ม, มีความเพียรไม่มีตัวบทบาทปฏิบัติตัวกระทําต่อให้คุณรู้ให้ตายก็ไม่เดินเฉลียวฉลาดขนาดไหน เข้าใจทิฐิสามารถเข้าใจสามารถเห็นแจ้งขนาดไหนแต่คุณไม่มีอิทธิบาทไม่มีวิริยะนั่นเองวิริยะสัมโพชฌงจ้างก็ไม่มีอะไรเกิดนะธรรมารเทียบโพธิปักเจียมเหมือนโพชฌงเจตสติโพสมโพชฌงทำมรรจายสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงก็3อันนี่เหมือนกันก็เหมือนกับสีสาตัวนี้ สติสัมโพชฌงก็สติปทานสี่ธรรมวิจัยสัมโพชฌงก็สมปรทานสีวิริยะสัมโพชฌงก็อิทธิบาทสก็เหมือนกันนะถ้าขยายใหญ่เข้าก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวตัวสติปทานสี่หรือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าสติสัมโพชฌงกตเราก็ต้องครบทั้งธรรมวิจัยครบทั้งวิริยะนัตมาก็อธิบายแล้วสติปทานเนี่ย เ อ, อ้ไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์เนี่เป็นองค์แห่งการปฏิบตัติมีธรรมวิจัยวิจัยนอกวิจัยในได้วิจัยธรรมวิจัยธรรมะข้างนอกธรรมะข้างใ น, นกรทบสัมผัสแล้วอ่านจนกระทั่งกาย ก, กายทั้งจิตได้และเพียรธรรมภาคเพียรมีอิธิบาตไอตัวปฏิบัติจริงๆสมัคประธานสนี่ก็คือสังวรประทา น, น, น, ป, รทานประหานประทานภาวนาประทานอนุรักษนาประทานส ม, มัคประธานส สังวรบบระบาดระบาดสังวรก็คือทําให้มันเจริญนั่นเองทําให้มันเกิดให้ดีให้ได้สังวรระมัดระวังคอยดูว่าเรามีสติไหมเราได้วิจัยไหมกระทบสัมผัสแล้วเราก็จิตใจเผลอไผลตกไปในทางโลกียะหรือว่าเรารู้ตัวอยู่มีสติรู้นอกรู้ในกระทบสัมผัสมีอะไรกัมีธรรมวิจัยวิจัยกันอยู่นั่นแหละสังวรระวังแล้วเรียนรู้แล้วก็ประหาร ทำลายลดละจางคลายให้ออกให้ได้ลดอะไรละอะไรอกุศลใดนอกก็ตามในก็ตามละลดจริงๆเลยนะมีสังวรแล้วก็มีประหารประหารได้ก็เป็นภาวนาเป็นภาวนาประทานเกิดผลภาวนาในแปลว่าการเกิดภาวนาในแปลว่าการเกิดการเกิดผลทําให้เกิดทําให้เป็นทําให้มีเรียอว่าภาวนามันก็มีได้เกิดได้ทําแล้วมันก็เกิดได้เป็นได้ขึ้นมาจริงๆเป็นภาวนาไมยเสร็จแล้วก็รักษา อย่าให้มันเสื่อมได้แล้วก็โยนทิ้งได้แล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ได้แล้วก็ให้รู้รักษาให้มันเจริญขึ้นรักษาทําให้มันเจริญขึ้นอนุรักษนาประธานสมประทานเป็นตัวปฏิบัติอย่างนี้เป็นตัวธรรมวิจัยอย่างนี้มีอธิบายมีอะไรเนี่ยเสร็จแล้วมันก็เกิดอินทรีย์เกิดพละเกิดอินทรีย์เกิดพละขึ้นมาเป็นกําลังเป็นเป็นใหญ่อินทรีย์เรียกว่าเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในตัวก็ได้คล้ายกันกับอธิปไตย อินทรีย์หรือพลัตเป็นกําลังเป็นอํานาจเป็นใหญ่หมายความได้ฉะนั้นนะ่ะหมายความเป็นไทยเนี่ยว่าอํานาจก็ได้เป็นใหญ่ก็ได้เป็นกําลังก็ได้มันเกิดอย่างนั้นจริงๆเลยเกิดในตัวเราเนี่ยเมื่อเกิดแล้วมันก็เกิดความเป็นจริงจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เป็นชีวิตอย่างชาวโลกุตระ อ, ะอะโศเราก็จเจริญงอก ง, งามขึ้นมาเรื่อยๆโดยประการอย่างนี้ปฏิบัติพิสูจน์ไปย่าหยุดอยู่ เตือนแล้วเตือนอีกแล้วก็เห็นทบทวนถ้ามันไม่มีแอฟเฟชเชียไม่มีชันทะมันไม่มีวิริยะมันไม่จะไม่เพียนแล้วมันจะตื้นมันจะไม่เอาทานแล้วอะไรนี่ก็ต้องตรวจตราว่าเอ๊เราได้ดีหรือเราได้ชั่วเราตกต่ําหรือจะตกต่าไอ้เพราะไอ้มันจะเบื่อมันจะรู้จักเรารู้สึกว่าจะประมาทตกผลึกเป็นตัวสิจะมันไม่กระเตื้องแล้วมันไม่ค่อยมีบทบาทมันไม่ค่อยทําอะไรมันไม่เพียนมันไม่ขยันมันไม่มีชันทะมันไม่มีความยินดี เห็นหได้ดว่าไม่ไม่น่ายินดีหรือเราได้อย่างงี้นี่นะแต่ก่อนเรายินดีได้เพชรได้พลอยตอนนี้เราทิ้งเพชรทิ้งพลอยมาเนาะโอ้เราได้ดีนะเนี่ยเราทิ้งเพชรทิ้งพลอยมาเนี่ยนะคนต้องมีาญาณปัญญาเข็นทวนกระแสจริ ง, รงๆเลยนะโอ้แต่ก่อนนี่เราไปลหลงไหลได้ปลื้มกับเพชรกับพลอยไปแย่งไปชิงก็อยู่นะได้มาก็ยินดีแต่ตอนนี้เราทวนกระแสเรามีความเห็นกลับมาท้งนี้ เออเราทิ้งได้นะนี่เราวิเศษนะนี่เราสามารถทิ้งแต่ก่อนยินดีปรีดาลงไหลเป็นรสชาติเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้เราทิ้งมาแล้วยศตําแหน่งอะไรก็ทิ้งมาเออเดี๋ยวนี้ก็ยศตําแหน่งอะไรก็ใหม่พิสูจน์สิว่าแต่ก่อนนี้เราอยู่ทั้งโลกเราได้ยศตําแหน่งเราภาคภูมิยินดีชื่นชมฉันทะ indi, ยินดีแม่อร็ตอร่อยมีความสุขแต่เราทิ้งมาแล้วทีนี้เราก็รู้ละ ว, ว่าเราทิ้งมาเนี่ยเออเราเก่งนะเราทิ้งได้ชื่นชมอ่า นักเข้าอีกเราปฏิบัติทำนี่แหละเ ร, เรามียศ ด, ด้วยเรามีตำแหน่งหน้าที่ด้วยเราสามารถคือไปรับผิดชอบเราสามารถคือไปรับตำแหน่งเราสามารถคือไปรับงานคืนไปรับสิ่งที่เราทำได้เนี่ยมันเป็นหลักฐานนะเป็นตาแหน่งเป็นหลักฐานว่าเราทาได้แล้วเราหลงยินดีมันแต่ก่อนนี้เราหลงได้เออองประกอบรับตำแหน่งนี้ทำได้ดีเขาก็สรรเสริญทำได้ดีก็ได้ลาบแลกเปลี่ยนมาเยอะ ทำแล้วก็เกิดผลก็ยินดีในผลเรียกว่าลาบติดใจหลงไหลแต่ในลาบเดี๋ยวนี้เราก็ทำได้ดีแต่ก่อนเราเป็นเกษตรกรปลูกผักได้เงินได้ทองขายได้เยอะได้แยะโอ้ยินดีในลาบยศสันเสริญได้ตำแหน่งได้ยศศักดิ์ได้เป็นกเกษตรกรชั้นเอกของประเทศกเกษตรกรที่มีความคิดความอ่านมีความขายันหมั่นเพียรมีความรู้ภาคเพียรทาเป็นกเกษตรกรตัวอย่าง ได้เป็นเกษตรก ร, กรของโล ก, กอะไรก็ตามใจเถอะนะหรือเป็นนายแพทย์ก็เป็นนายแพทย์ของโลกปิศาจกรก็คิดเกง่งเป็นของโล ก, กอะไรก็ตามได้รับตำแหน่งยศศักได้รับอะไรยินดีแต่มาทางนี้แล้วเนี่ยเราก็ซ่อนเรียนรู้ว่าไม่ยินดีในสิ่งนั้นมันเลิกดูสิเราไมา่งี้แต่พร้อมกันนั้นเราก็ทํางานนี้แหละมาทํางานทางนี้ตอนนี้เราไม่ได้ได้ลาบแล้วนะไม่ได้แลกเปลี่ยนลาบไม่ได้ตําแหน่งเขาก็ไม่ตังแต่เราก็ต้องมีฐานนะทํางานเก่านี่แหละ เป็นเกษก ร, ก, รก็เป็นเกษก ร, กรเก่านี่เก่งแม้ใครไม่มาให้รางวัลแม้ไมใครไม่มายกย่องสรรเสริญไม่ไม่ตราไม่มาตั้งแต่เราก็เป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ทํางานนี่มีผลพิสูจน์ยืนยันซิว่าเราเองเราแม่ใครไม่สรรเสริญ น, นี่เราอยู่ได้ไหม โดยสัจจปัญญาเราก็เห็นว่าเราอยู่ในฐานะที่เป็นคนนำเป็นคนที่ทํางานเป็นคนมีความสามารถสร้างสรรค์เกษตรกรรมนี่เป็นเกษตรกรรมธรรมชาติชนหนึ่งเราทํากับมืออยู่เนี่ยใครไม่เยินยอเราก็ไม่มีปัญหาไม่มีใครมาตั้งตําแหน่งเราก็รู้ว่าเราทําฐานะเราเนี่เป็นคนรับผิดชอบเป็นคนเอาภาระเป็นคนเอางานเลยนะสร้างสรรค์อยู่จะเป็นวิศวกรจะเป็นแพทย์จะเป็นครูจะเป็นเกษตรกรจะเป็น ขอด่าแม่ค้านักธุรกิจที่ทำงานนี่ดีอยู่พิสูจน์สิว่าคุณหลงไหลกับมันไหมยิ่งทํามันก็จะมีมีข้อผิดพลาดบ้างเขาก็ว่าเขาก็ตู่มีกําลังใจไหมมีอํานาจไหมเขาตู่เขาทวงเขาทักผิดอย่างก้คนอย่างนี้มีอัตราไหมถ้าไม่มีอตัตราเออยอมรับฟังดีๆมันผิดก็แก้ไขมันไม่ผิดเรามันถูกแต่พูดกับเขารู้เรื่องไม่ได้ก็เอา ค่อยๆพูดทีหลังค่อยๆทําความเข้าใจไม่ต้องไปขมไม่ต้องไปทะเลาะเบอกแหวงปรับตัวเองได้อย่างดีสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงที่คุณเจอได้พิสูจน์ไม่ใช่เป็นนั่งคิดนั่งนึกเอาเอ้ยเราไม่มีอัตาแล้วก็คุณไม่ทําอะไรยังไม่มีอัตาอะไรกับมันตัวอัตาเบอแล้วไอ้ตัวต้องไม่ทําอะไรนั่นแหละแต่ทําอะไรดูสิแล้วก็ทํากับเพื่อนกับฝูงนี่แหละมันก็จะเป็นจริงแล้วก็ทํากับงานนั่นแหละแล้วมันก็จะเป็นจริงงานเราก็เจียวชาญงานเราก็แกล่วของงานเราก็ดีก็เด่นใครไม่ชมก็ไม่เป็นไร ใครไม่ทาก็เราทำกัเป็นบุญของเราอยู่แล้วทาแล้วก็เกื้อกูลไม่ได้เอาไปแลกเปลี่ยนเอาเงินเอาทองมแลกเปลี่ยนเอาลาไได้แปลกแลกเปลี่ยนสิ่งแลกเปลี่ยนลาบคือสิ่งแลกเปลี่ยนไม่ได้แลกเปลี่ยนเอาอะไรไม่ได้ลาภธรรมิกกลาลาภลาภลาภลาภพังนิชิคิคงสนตาน ลาเพนนะัลาพังไม่ได้มีเอาลาไปแหลกลาบอะไรทําได้แล้วก็สิ่งที่ได้ก็ไม่ได้เอาไปแหลกไอ้นนไอ้นีนนน่มาเพื่อบำเรอตนอะไรอยู่ได้ไหมนี่มันยืนยันชัดเจนอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติจริงนะเราก็ไม่ได้ข้อพิสูจน์ทําแล้วเขาตาหนิเราก็เราไม่ได้ทําอะไรเขาก็ไม่ตําหนิดีไม่ดีหลงผิดด้วยว่าเออคนไม่ทําอะไรนะั่นแหละคนอยู่ว่างๆนะั่นแหละคือคนที่ไม่ติดยึดอะไรแล้ว ถ้าคืนไปติดไปยึดไปลงในงานในการไปทํางานทานําการไอคนนี้มันยังติดยูมันติดงานติดการมันยังลงงานลงการคนเข้าใจผิดอย่างนี้ก็แล้วไปเขาก็ไม่ได้พิสูจน์แต่คนไม่เข้าใจผิดบอกเออลําทํางานนี่หลาสร้างสรรค์ดูนี่แหละมันก็จะมีข้อผิดพลาดได้คนตำหนิได้ทําได้ดีเขาก็ชมเชยทําไม่ได้ดีเขาก็ตำหนิเพราะเราทํางานแล้วก็พยายามจะให้มันผิดเมื่อมันไม่ผิดก็ไม่มีใครมาตำหนิ ไม่ตองนี้เขก็จะได้ดยอกย่องชุมเชยอุ้ยเก่งสามารถไม่ผิดไม่พลาดเลยวิเศษทําได้ดีได้เยี่ยมหลงฟูใจแม่ก็เสันเซิร์นมันจะเป็นความจริงเลยเขาให้รางวัลเนี่ยอย่าว่าแต่รางวัลธรรมดาเลยนะเนี่ยรางวัลระดับประเทศรางวัลระดับโลกโอ้ยิ่งใหญ่เนี่ยม่ายจะฟูใจแม่มันเป็นข้อพิสูจน์ที่จริงเลยไม่ใช่ว่าสมมุติเอามันยืนยันเลยว่าใจเราไม่เกิดจริงๆ มันจะมีความจริงพวกนี้เป็นองค์ประกอบอยืนยันที่แท้จริงจึงเรียกว่าอยู่ในโลกสังกปะวาจากรรมันตอาชีวะมีการมีงานมีสิ่งใดเจริญเหมือนคนข้างโลกเขาแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนอย่างโลกโลกเราไม่ได้หลงใหลได้ปลื้งกับลาบยศสั้นเซินโลกียะสุขจริงๆยิ่งใหญ่ได้เพราะเราไม่ได้ดอยฝีมือเราไม่ได้ดอยความสามารถเราไม่ได้ดอยผลประโยชน์คุณค่าแต่เราไม่ได้เป็นอย่างคนโลกียะแล้วแต่เราก็จเจริญเหมือนคนโลกียะได้ มีลีลาขบวนท่าอยู่กับโลกเขาอยาประสานเราเก่งยังไงเขาจะมาดูถูกดูแคลนจะมาข่มมาขี่มาได้ก็มไม่มีตัวตนไม่มีอัตามานะอะไรประสานเขาได้เป็นคนสูงคนประเสริฐอยู่กับคนที่เขาไม่สูงไม่ประเสริฐอะไรก็เหมือนกับเผื่อนกันสมานสมานัตตาได้ไม่ห่างสัมพันธ์ันสนิทอยู่กับหมู่กับฝูงอยู่กับมนุษย์ชาติแต่คนเขาก็จะรู้ เขารู้โอ้นักเคารพนับถือหนักเกรงนับบูชายกจ่องเพราะเขาสื่อเขามีความสามารถเขาเก่งเขาก็ไม่ถือตัวเขาไม่เอาเปรียบเขาได้แต่อุ้มชูเกื้อกูลไม่ถือตัวถือดีอะไรไม่คมขีใครโมหันต์มาไม่ข ม, มแต่จริงๆก็ขมในตัวแต่ว่ามันเป็นการสอ น, นเป็นการแนะนําการตําหนิหรือการข่มเนี่ยมีดีลาศิลปะวิทยาในการข่มการตําหนิ อย่างพอเหมาะแล้วคนศรัทธาก็ศรัทธาอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้ลึกซึ้งนะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าใครทำได้อย่างอาตมาว่าแล้วโลกนี้ก็เจริญงอกงามอยู่กันอย่างสังคมที่เจริญงอกงามอ่ะเราก็ค่อยๆกล่าวไปอ่ะเลยเวลาไปทั้งสินาทีแล้วพอ